อดี๋ยเรามาศึกษาในเรื่องของโมหนะเนาะทีนี้พอศึกษาในเรื่องของโมหะเจ็ดสิบ ก, ก็คือคําว่าอาวิชชาเป็นความหมายเดียวกันมีเรียกชื่ออวิชชาหรือโมหะเนี่ยจริงๆในเรื่องของการศึกษาสภาวธรรมตรงเนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเราเรียนเรื่องโมหะก็ต้องไปเรียนเรื่องของอโมหะคือปัญญา จะได้เข้าใจเรื่องตรงกันข้ามให้ชัดถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่ไม่ครบที่จริงในโมหะเนี่ยมันอยู่ในหมวดของโมจตุกะสี่ตัวเนาะมีโมหะก็คือความหลงความมืดบอดอหิริกะความไม่ละอายต่อบาปอนโนตปะความไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็อุทธะความฟุ้งซ่านฉะนั้นเนี่ยมันจะมากันเป็นแพ็กเกจเลยมาเป็นชุด เวลามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆงั้นเวลาเราศึกษาสภาวธรรมตัวนี้มันก็จะสามารถรออู้จักตนเองมากขึ้นยามใดที่เราเกิดความแม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปหรือในยามที่ภาวะเกิดความฟุ้งพึงรู้เถอะว่าไอ้ตัวที่อยู่เบื้องหลังปกปิดคือมระคเออให้รู้ความจริงงั้นที่ฟุ้งอะไรเงี้ยที่เราฟุ้งเคยเป็นหม บ่อยไม่ฟุ้งเนี่ย <c oughs> ทีนี้ดูตัวสภาวธรรมตัวนี้นิดหนึ่งเป็นอากุศลให้เห็นว่าตัวเวลาจัดในกลุ่มของอากุศลในด้านของภาพวิธรรมเนี่ยโลภะจะมีแปดชนิดเรียกว่าแปดดวงโทสะมีสองโมหะมีสองในบรรดาอากุศลสิบสองประเภทเนี่ยโมหะเกิดร่วมทุกดวงเลย อันนี้บ่งบอกถึงพลังของเขาบ่งบอกถึงศักยภาพของเขาว่าโมหะเนี่ยความมืดบอดเนี่ยมีพลังมากเลยเกิดความต้องการเวลาใดจะต้องการโดยการถูกชักชวนหรือไม่ชักชวนต้องการแบบสมานัดหรืออุเบกขาต้องการที่ความต้องการที่มีทิฏฐิประกอบหรือมีมานาประกอบความต้องการทุกประเภทโมหะปิดอยู่หมนเลยความโกรธประเภทที่มีการชักชวนหรือไม่มีการชักชวน ถูกกระตุ้นเตือนหรือไม่กระตุ้นเตือนก็มีโมหะปิดแต่ที่หลงมากกว่า น, นั้นเขาเรียกว่าโมหะมูลจิตสองเนี่ยสองดวงนี้เขาเรียกโมโมหะจิตถ้าเรียกกันก็เรียกโมหะโมหะจิตเ้าแปลว่าจิตที่หลงยกกําลังสองมาจากคาว่าอติสยะสั์เนี่ยมายจากว่าหลงอย่างยิ่งหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของโมหะ ก็ไปศึกษาตัวสภาวะถ้าเขาเกิดร่วมกับโลภะก็หลงอยู่แล้วเกิดร่วมกับโทสะก็หลงอยู่แล้วแต่ถ้าให้หลงอย่างหนักเลยนะเขาเกิดร่วมกันร่วมกันกับวิจิกิจฉากับอุทะจักโอ้โหหลงอย่างมากเลยแต่นี้ฉะนั้นกลุ่มที่ใช้โมหะมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มสัตว์เดรัจฉานที่โมหะล้วนๆเลยเนี่ยนะตระกูลสัตว์เดรัจฉาน นั้นจะกลุ่มเห็นว่ากลุ่มพวกพญาย น, นานใช่ไหมกลุ่ม <sk r ug> สุนัข ก, กลุ่มแมวกลุ่มชา้างกลุ่มพวกสัตว์เดรัจฉานทัวประเภทโมหะแรงมากเลยแรงถึงขนาดว่าเขาดูเหมือนว่าเขามีความอดทนสูงที่จริงมันไม่รู้เรื่องมันเหมือนมีความอดทนเนะย่งหัวควายเนี่ยมันทนยุงกัดต่างต่างกึกกึกกึกกึกกึกกึเนี่ย อยู่กับของสกปรกก็นอนแช่อยู่งั้นเน่มันขนาดนั้นหรือหรือคนหลงเน่ะถ้าดูมนุษย์เราก็ดูคนที่หลงเช่นคนที่ไปเดินตามถนนทนทางนอนตามที่ต่างๆนั่นแหละโมหะมีกำลังจัดมันจะออกมาลักษณะแบบนี้น อ๋อคืออย่างนี้ถีนะมิถะเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นอาการโดยตรงของโมหะหรอกโมหะมันปิดอยู่จริงถีนะกับมิถะมันเกิดร่วมกับความโลภกับความโกรธมันไม่ได้เกิดร่วมกับโมหะแต่โมหะเนี่ย ม, มันเป็นตัวปิดบงังถีนะเนี่ยแบบสภาพที่หดหูมิถะท้ทอถอยใช่ไหมหดหูเซ็งซึม เปล่าเปลี่ยวเดียวดายว้าวิ่ทั้งหลายไอ้กลุ่มทีน้นมิถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเช่นเวลาเกิดความโลภความต้องการขึ้นมาแล้วไอ้ความโลภความต้องการของตอนเองเนี่ยมันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มอยากใส่ลงไปยังไงก็ไม่เต็มเติมยังไงก็ไม่เต็มมันไม่ิมัน ม, มันไม่เต็มอิ่มสัทีอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันหดถูแล้วก็ท้อถอยแล้วก็เสงแล้วก็เบือ่อเนี่ยเนี่ยอาการแบบนี้นั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือโกรธ มันทําแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้อย่างที่คิดไม่ได้ไม่ได้อย่างที่หวังก็รู้สึกเซง็งเบื่อแล้วก็ทอ้อเนี่ยอาการแบบนี้เกิดร่วมกับโทสะฉะนั้นอนทีน่ากมิทะมันจะเกิดร่วมกับโลภะบางครั้งก็เกิดร่วมกับโทสะเราสังเกตตัวเองไม่ยากถ้าเราเกิดโลภเกิดอยากกินอะไรทั้งหลายเหล่านี้ยชอบอยากจะกินกินกินกินกินมันก็ไม่เต็มอิ่มไม่เต็มอยากอยากได้เสื้อผ้าอย่างนี้หาก็ไม่เต็มอิ่มไม่เต็มอยากหรืออยากจะนอนไม่เต็มที่ก็ไม่เต็มอิ่มไม่เต็มอยากเนีน่ย แล้วก็รู้สึกเซง็งแล้วก็คือท้อแล้วก็หดหูแล้วก็หงอยเหงาเนี่ยอาการอย่างนั้นแสดงเห็นชัดว่าทีนามิทาม UM ันเกิดร่วมกับโลภะแต่บางทีแล้วก็งุดหงิดเบื่อแล้สึกโกรธไม่พอใจด้วยไอกรณีอย่างเนี้ยมันไม่ไอที่หวังไว้ไม่เป็นอย่างหวังต้องการไม่เป็นอย่างต้องการอยากมัน อ, อยู่อย่างนี้มันไม่อยู่เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราค า, า, าดเดาคาดการณ์เลยก็รู้สึกกุ้มทุกแล้วก็เซ็ <S <S งเบื่อท้อถอยหดหูอันนี้นเกิดร่วมกับโทสะ โมหะอยู่เบื้องหลังไม่เด่นไอ้ทีนมิทะเด่นแต่ที่จะพูดนี้จะพูดเรื่องโมหะพอจะชัดไหมต่อไปก็คือดูเรื่องของโมหะโมหะเนี่ยมันเป็นลักษณะของความหลงความไม่รู้จึงทำให้เกิดความโลภจึงทำให้เกิดความโกรธใช่ไหมหรือความเย่อหยิ่งความเห็นผิดความลังเลสงสัยมันตามมาทั้งหมดเลย มันทำให้เกิดมาเดี๋ยวไปดูลักษณะจะเห็นชัดทำไมจึงโลภทำไมจึงโกรธทำไมจึงหดหู่ทำไมจึงท้อถอยทำไมจึงยกตนชูตนเปรียบเทียบตนทำไมจึงฟุ้งซ่านทำไมจึงลำคาญใจทำไมจึงริสยาทำไมจึงไม่ละอายต่อบาปทำไมถึงไม่เกรงกลัวต่อบาปทำไมจึงลังเลสงสัยเป็นต้นเพราะไม่รู้ไอ้ความไม่รู้เหมือนปิด มันเลยมันเลยอกุศลทุกตัวมันเลยออกมาทําหน้าที่พวดไปหมดเลยแล้วทำไมถึงมันได้กายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่ไม่ควรได้ก็โมหามันปิดแล้วกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่ควรได้ทำไมไม่ควรไม่ได้ก็เพราะโมหามันปิดมันน่าจะได้ใช่ไหมบวชมาแล้วมันน่าจะได้บุญมันไม่ได้ก็โมหามันปิดมันปิดกั้นทําให้มันไม่ไม่เกิดเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ให้โมหามัน้ายกาดทุกขั้นตอน ฉะนั้นโมหะเนี่ยมันจึงละได้ด้วยอาราัตมรักตราบใดยังไม่ได้อาราัตมรักนี่ยังไม่หมดน่นอย่าแปลกใจว่าทำไมท่านวันเครียดทำไมฟงซรร่านทำไมเอกเครียดฟงซรร่านไม่รู้โมหะมันปิดทำไมแ h a เนี่ยทำไมทำไมซึมซึมงงๆทำไมหลับทำอะไรเบเสร็จก็ซึมงงหลับเนี่ยโมหะ มันล็อกมือล็อกเท้าหมดเลยโมหะเลยมันอยู่เบื้องหลังหมดเป็นตัวการเลย น, นี่เป็นอย่างนี้แหละเท่นั้นกิเลสทุกตัวจะบอกกามโมฆะพะโวคะทิโข้าวิโชคะอาสวะกามาสวะผะวาสวะทิถาสวะอะไรว่าไปเหอะนะมาจากอาวิโชคะมาจากอาวิชชาสวะมาจากโมห oh ะมาจากความไม่รู้ เราอาจจะบอกว่าไออุปกิเลส1ิบหกอภิชาวิสมะโลพาโกธะอติโกธะมานะอติมานะไนะลไปเถอะปราศะไล่ทุกประเภททั้งสิบหประเภทใครอยู่เบื้องหลังโมหะ <laughs> นี่เป็นอย่ทีนี้เนี่าดูก่นกอนค่อยๆแกะมุมนะทีนี้มันจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้ลักษณะ ของโมหะแล้วก็หน้าที่การทำงานของโมหะแล้วก็ต้องรู้ผลปรากฏของโมหะเวลามันเกิดขึ้นมาปุ่นมีผลยังไงและต้องรู้ว่าเหตุใกล้ที่มันทำให้โมหะเกิดนะคิดยังไงให้อาหารยังไงให้เหตุปัจจัยยังไงโมหะถึงเกิดถ้าไม่รู้ตรงนี้เดี่ยงอ่่รู้ยิงเดี่ยงเลยมีนเป็นนี้นะในบาลีตรงนี้บาลีผมเอามาหลายๆเล่มเนี่ยบาลีตัวเดียวกัน จิตตสันุทาภาวาวะลัคโนวัญญ า, ารักขโนวาจิตตสัน n สภาวะลัคนโนวอัญญารักขโนแปลงี้นะมีความมีสภาวะที่มืดบอดแห่งจิตคือความไม่เห็นตามความเป็นจริงนะซึ่งสภาวะธรรมเป็นลักษณะหรือมีสภาวะหรือภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ ปัญญาหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อยานะอันนี้ชัดเลยนะไอ้คำว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อยานะเนี่ยอันทัศภาวะโมหะบางศัพท์บางที่ใช้คําว่าโมโหกิตตสัอันทสภาวะอันอันอันทสภาวะลัคนโอัญญาณลัคนโนก็ได้คืออย่างนี้ มีความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงแห่งจิตหรือสภาพที่ดวงจิตหรือสภาพที่จิตคือดวงตาปัญญานะ่ยมันบอดแปลอย่างเงี้ยมันเลยชัดไอ้ดวงตาปัญญานะ่ยมันบอดจิตมันบอดเวลาโมหะมันครอบงาแล้วจิตมันจะบอดความไม่รู้ก็หมายความว่ามีความไม่มีความมืดมนแห่งจิตเป็นลักษณะ อันธาสภาวะเนี่ยแปลว่ามืดแปลว่าบอดอันธะเนี่ยแปลว่าบอดนียอันธะส่วนอัญญาะเนี่ยแปลว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อญานนะเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้นั่นเองทีนี้อนลักษณะของโมหะเป็นแบบนี้ความมืดก็คือผู้ที่มีโมหะครอบงำเนี่ยย่อมไม่รู้หนทางที่จะก้าวเดินต่อไปว่าถูกต้องและเหมาะสม เ อ, อคําว่าไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตเนี่ยดังนั้นจิตที่คิดมันก็ไม่รู้ว่าเป็นโลภะโทสะโมหะก็ไม่รู้จะทําทางกายกรรมวิีกรรมทั้งหลายอาชีพทั้งหลายที่ดําเนินไปมันเป็นสุจริตทุจริตไม่รู้อันนี้นี่ลักษณะของเขาเป็นแบบเนี้ยมันปิดหมดเลยนลักษณะขเขาเนี่ยคือว่าทีนี้ เวลามันโมหะเกิดขึ้นเนี่ยมันดำเนินชีวิตไปถูกทางและผิดทางมันไม่รู้ที่มันถูกเนี่ยไม่ใช่เพราะมันรู้เหมือนคนตาบอดเนี่ยวลาเดินถูกทางเนี่ยไม่ใช่มันรู้มันไม่รู้เดินผิดทางก็ไม่รู้โมหะมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นบางคราวเราเห็นเขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามันก็ไม่ได้รู้ มันไม่ได้ถูกอะไรหรอกเพราะความเข้าใจมันบอดปัญญามันบอดความเข้าใจมันผิดหมดแลวเพราะมันปกปิดหมดผิดทางก็ไม่รู้ถูกทางก็ไม่รู้ถ้าพูดให้ชัดก็คือถ้าคนตาบอดนั่นถ้าคนตาบอดไม่รู้อาจจะเอาไม้มาคอยทิ่มๆๆๆๆหน่อยแต่ให้รู้จริงๆไม่รู้เลยพอเราๆอะไรแค่นั้นเอง เนี่ยแหละลักษณะอย่างนี้แหละแต่เป็นเหตุบางทีเขาใช้คําว่าที่หลงทางถูกทางเดินถูกทางไม่ใช่พราะรู้แต่บางเอื่บางเอื่โมหะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นแล้วก็มีความไม่รู้ก็คือหลงมากก็คือตรงกับคําว่ามืดบอดนี่นี่คือลักษณะนะลักษณะก็คือว่าสองสองกรณีเนาะ มีความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงกับสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้คือความมืดบอดประการกิจกิจของเขาอย่างนี้อารัมพนสภาวะวัชชาธนาลโศ ว, วาหรือก็ได้อปปติเวทะละโศมีการปกปิดสภาวะของอารมณ์ไว้เป็นกิจคำว่าปกปิดเนี่ยคือ ไม่รู้ไม่เห็นความจริงของอารมณ์ก็คือปกปิดกิจของโมหะก็คือปิดบังความจริงของอารมณ์คําว่าปิดบังความจริงของอารมณ์คืออะไรไม่เห็นโดยความเป็นว่ารูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยแต่เห็นโดยความเป็นเพียยเช่นเห็นไปเห็นโดยความเป็นของงามนของที่ไม่ไม่งามมันก็ไปเห็นว่างาม ของที่ไม่เที่ยงก็ไปเห็นว่าเที่ยงของที่มันเป็นทุกข์ก็ไปเห็นว่าเป็นสุขของว่ามันไม่เป็นอัตตาตัวตนก็ไปเห็นเป็นอัตตาตัวตนกลุ่มโมหะถ้าพูดกันให้ชัดลงไปคือพวกติดบัญญัติอย่างรุนแรงหลงในบัญญัติอย่างรุนแรงเลยสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เขาเรียกว่าปิดบังเนาะปิดบังไม่เห็นตามความเป็นจริงปิดบังอารมณ์เช่นความจริงของอารมณ์ เช่นความจริงของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่นะความจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจริงของรูปอารมณ์สตารลมกันดารลมละสารลมปวดตาลมความจริงของเขาคือไม่งาความจริงของเขาคือไม่เที่ยงความจริงของเขาคือเป็นทุกความจริงก็คือเป็นอนัตตาแต่มันปิดหมดเลยนี่ปิดปิดลักษณะเฉพาะตัวด้วยนะไม่เข้าไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแล้วก็ไม่เข้าไปรู้สามัญลักษณะของสภาวธรรมด้วยที่ ก่อนหน้านั้นเนี่ยติดที่ไหนติดอารมณ์ติดบัญญัติเช่นว่าบ้านก็สําคัญว่าเป็นบ้านจริงจงเป็นรถเป็นทรัพย์เป็นอะไรต่างาก็หลงมันอยู่นั่นแหละอาการปรากฏผลปรากฏเนี่ยนะมาจากคาว่าอันท่าพาวอันพระอันทาการะปจุปฐานโนวาอาศัมมาปฏิปฏิ ป, ปจุปทานโนมีการทําให้สมยุต ธ, ธรรม ที่มีโมหะเกิดร่วมน้นมืด ม, น, มนก็หมายความว่านอกจากตัวเขาจะมืดมนและหลงแล้วเวลาเขาเกิดร่วมกับเวทนาก็เป็นเหตุให้เวทนาเนี่ยหลงด้วยสัญญาคือความจําก็หลงด้วยหลงผิดด้วยตัวสภาวธรรมอื่นๆว่เ า, าเจตนาผัสสาะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิตรีมรรสการวิตโตวิญาณอธิพุกวิริยปิติชันทะเนี่ยบรรดานุกลุ่มสภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับโมหะ พอยมืดมนไปหมดเลยเนี่ยด้วยตัวเขาตัวเดียวเนี่ยเขาไปปิดหมดเลยนะปิดจิตด้วยปิดญาติสกธรรมด้วยปิดขันนามขันทั้งหมดเลยทำให้ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงทั้งนั้นนี่อาการปรากฏกของเขาเขามีหน้าที่อย่างเงี้ยชาปิดหมดเลยทำให้ติดบัญญัติทำให้ติดปรมตัตทำให้ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงทำให้มืดบอดนะผลปรากฏก็คือทาให้อาการมืดบอดเกิดขึ้นนั่นดี ทำไม่กโกรธทำไม่เกลียดทำไม่กลัวทำให้กำหนัดทำให้ขัดเคืองขึ้นมาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเขาปิดบังความจริงเขาไปฉาบท้าไว้หมดทีนี้ให้สังเกตนะว่าเวลาโมหะมันปิดบังจิตปุ๊บปิดบังเจตสิกปุ๊บแล้วเวลาจะทำถูกความงามเนี่ยนะเวลาจะทำความดีทำความดีก็ทำไม่ถูก เวลาจะปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วแต่ก็ไม่สามารถบรรลุถึงความดีนั้นได้เพราะไม่รู้แนวทางความดีอย่างถูกต้องเนี่ยอวิชามันปกปิดอย่างนี้มันได้แต่ว่าอยากพ้นทุกอยากทําให้มันดีแต่ไม่เคยทําถูกเลยเอาเขาให้ไปยืนก็ไปยืนให้ไปเดินก็ไปเดินให้ไปนั่งก็ไปนั่งให้ไปนอนก็ไปนอนให้ไปดูลมก็ไปดูลมไปทํากับเขาหมดแต่ก็ไม่เคย ได้ประโยชน์เลยคือมันมันมันปิดหมดเลยมันล็อกแข้งล็อกขาหมดเลยเดี๋ยวนี้ผลปรากฏออกมาคือไม่รู้ไม่เข้าใจให้ท่องหนังสือท่องได้หมดเลยนะพวกนี้ท่องได้หมดเลยให้ท่องก็ท่องได้จําได้แล้วเป็นเสร็จแต่เอาความเข้าใจไม่ได้โมหามันปิดไม่แยกแยะไม่วิจัยเพราะยานนะหรือปัญญามันมันไม่มีโอกาสโผเมื่อเกิดได้เลยเพราะมันนิพ่ผ์ปรากฏของโมหะเป็นไปลักษณะแบบนี้ พอมองเห็นไหมอะไรเป็นเหตุกลเออตรงกันเลยอ ะ, อะโยนิโสคือคืออย่างนี้ไอ้ผลมีสองอย่างเดี๋ยวพูดเรื่องผลปรากฏนิดนึงมีคำว่าผลปัจจุปถานะกับอุปฐานะกาลปัจจุปฐานะสภาพที่สามารถทําผลคือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นมันทาให้สภาพการ ผลของเขาก็คือการทำํำพอมันปิดสภาวะธรรมปุ๊บเวลามันจะปฏิบัติเนี่ยมันก็ทําผลคือความปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเกิดขึ้นคําว่าปฏิบัตินี่เข้าใจไหมเช่นเช่ น, เ, ชนเวลาจะคิดเนี่ยมันก็ทําภาวะความคิดที่ไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเช่นความโลภเนี่ย ไม่อยากจะโลภแต่มันก็เกิดทุกทีไม่อยากกำหนัดไม่อยากขัดเครืองไม่อยากมัวเมาไม่อยากร่มหลงไม่อยากเห็นผิดไม่อยากยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยไม่อยากยึดติดในอารมณ์ไม่อยากขัดเครืองในอารมณ์ทั้งหลายเลยเนี่ยไอการปฏิบัติที่มันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นทุกทีเลยเห็นนี่อะไรเกิดขึ้นทุกทีเลยมันไม่อยากให้มันเกิดนะแต่มันก็เกิดเพราะอะไรมันมันปิดบังนี่อาการแบบนี้ก็เลยผลปรากฏ สภาพที่ตรงกันข้ามกับปฏิบัติดีเช่นแทนที่จะกุศลลจิตเกิดใช่ไหเช่นเวลาฟังธรรมะแทนที่จะได้กุศลลจิตเกิดมันก็เป็นมานะเกิดทุกทีโอ้โหสุดยอดเลยเราได้ฟังว่า ง, งั้นยกตนขึ้นมาอีกนะบอกอเราฟังนี่สุดยอดเลยไม่มีใครเห็นถูกเท่าเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ มันปฏิบัติผิดทุกทีเลย น, นี่เรียกปฏิบัติแล้วนะไอ้พอเห็นแบบเนี้ยแล้วก็ผักออกมาเลยเดีเยวนี้ผักออกมาเป็นการกระทําเลยเดี๋ยวนี้มีการมองคนอื่นมีการอวดนี่มันมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นทันทีอวดมองซ้ายมองขวาให้มีใครสู้กูได้ว่างั้นนะเนี่ยมันมีการคิดไม่ถูกต้อง ก, ก็เรียกปฏิบัติไม่ถูกต้องมีการมองไม่ถูกต้องนั่นคือปฏิบัติไม่ถูกต้องมีการกระทําที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ พฤติกรรมทางใจทางใจคิดผิดผักมาเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาออกมาเป็นบุคลิกภาพออกมาผิดออกมาเลยนี่เขาเรียกมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นทีนี้ส่วนอุปปัฏฐานาการละปัจจุบัานาะคือว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเห็นอาการบันดิตทั้งหลายเขาเห็นอาการภาพที่ทาให้ดวงตาคือปัญญามันบืดมืดบอดสนิทเกิดขึ้น เขาเห็นเลยนี่เนี่ย เ, ยเห็นถ้ามีปัญญาอะไรโอ้เข้าไปเห็นแล้วเวลาผลปรากฏของโมหะมันมีอาการที่ทําให้ดวงตาคือปัญญามันบอดสนิทปัญญามันไม่เกิดมันจึงโลภมันจึงกําหนัดเพราะปัญญามันไม่เกิดมันจึงหดหูท้อถอย เพราะปัญญาไม่เกิดมันถึงขัดเคืองเพราะปัญญามันเกิดไม่เกิดมันถึงลังเลสงสยัยเพราะปัญญาไม่เกิดมันจึงฟุ้งซ่านลำคาญใจเพราะปัญญาไม่เกิดมันถึงผักออกมาเป็นกายตัวเจดิตติจีตัวเจดิตมโนทุจริตอว่นั้นมันเห็นอาการเหล่า น, นี้ออกมาผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตทั้งหลายเห็นอาการเหล่านี้ผักออกมาอย่างนี้ก็เรียกอาการละประโยชน์ฐานะทีนี้ถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเห็นอาการของมัน อมั น, นเราเคยเป็นอาการแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันก็จะจะปิดเลยแต่เนี้ยมันจะพยายามปิดอะไรเป็นเหตุใกล้การใส่ใจในอารมณ์ผิดการคิดผิดไปใส่ใจว่างามในสิ่งที่มันไม่งามไปใส่ใจว่าเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยง ไปใส่ใจว่ามันสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกไปใส่ใจว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่มันเป็นอนัตตาในการใส่ใจลักษณะอย่างนี้เป็นการใส่ใจผิดทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าถ้าตัวปัญญาเนี่ยมันจะรู้ปรมัตรธรรมตามความเป็นจริงใช่ไหมเพราะเหตุทำให้จิตนั้ น, น, นมีปัญญาเกิดขึ้น แต่เวลาโมหะเกิดขึ้นมาปุ๊บจิตมันมีดวงตาของปัญญามันบอดสนิทมันโมหะมันตรงกันข้ามกันเลยถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันรู้เข้าใจเหตุผลตามความเป็นจริงแต่เวลาโมหะเกิดขึ้นมาปุ๊บมันบอดสนิทเลยอายกตัวอย่างเช่นระดับพื้นฐานเลยนะระดับเหตุผลเลยนะถ้าโมหะเกิดขึ้นมันแยกไม่ออกว่านี่เป็นสุจริตกรรมตจริตกรรม อันนี้เป็นกายยโจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันไม่ได้สักทีมันมันไม่ควรได้เลยนะไอ้กายยโจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยแพบได้ทุกทีเลยอออืืเครื่องเลยนะเครื่องตัวเองอยู่เลยเนี่ยไม่ควรได้เนียไม่ควรไม่ควรขัดเคืองไม่ควรโกรธไม่ควรโลภแล้วก็ไม่ควรทําทุจริตต่างๆออกมาเลยเนี่ยฟังให้เถอะไอ้กรณีอย่างเนี้ย ส่วนสุดจริตเนี่ยมันควรจะได้กลับไม่ได้นี่ไปทำบางทีตั้งหลักไว้อย่างดีเลยนะว่าจะอยากให้มันได้อยากไม่ได้เอา้าพังซะอีกแล้วอยู่อย่างนี้แหละโมหะสภาพธรรมที่หลงเองในวลมปรมัตเป็นโมหะเนี่ยมันหลงหรือว่าความหลงในอารมณ์หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัมันหลงปรมัตกลุ่มนี้คือหลงปรมัต ความหลงความไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะว่าปัญญาหรือญาณนะมันรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงมันแทงตลอดความจริงโมหะมันก็ไม่รู้รู้ผิดเข้าใจผิดซึ่งอารมณ์ด้วยรู้ยังไงร่ว ง, งะไปไปเข้าใจว่ามันงามทุกครั้งที่เราเห็นว่าโหโคตรอร่อยเลยเวลากินอาหารสุดยอดอร่อยนี่แปลว่าเห็นงามแท้จริง มันไม่มีหรอกมันไม่ได้อร่อยเลยรหรอกจริงๆแล้วตั้หามมาทํากิจเจ้ไว้แล้วเนี่ยพอ ก, กินแล้วโอ้โหอร่อยเลย <c oughs> มันไปเห็นงามไปเห็นดีไป็นอร่อยทั้งๆที่มันไม่ได้อร่อยอะไรเลยอึ่งนี่เป็นต้นทีนี้เอาเดี๋ยวดูรายละเอียดอวิชชาแปดอย่างคื อ, อนี้ไอ้ทุกข์เขีย้ายวานังเนี่ยความไม่รู้ในทุก ความไม่รู้ในทุกเนี่ยเยอะเลยเนี่ยคำว่าไม่รู้ในทุกเนี่ยมันคือไม่รู้ในอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กระแสชีวิตกระแสชีวิตที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยกระแสชีวิตที่อุบัติเกิดขึ้นเ้าเรียกว่าชาติทุกแล้วก็ไม่เห็นว่ามันเป็นทุก กระแสะชีวิตที่มันมีการเสื่อมค่าแปรปลวนไปเรียกชราก็ไม่เห็นว่ากะชราเป็นทุกข์กระแสะชีวิตที่มันมีความเก็บไขวันทำหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนทั้งรูปธรรมและนามธรรมโดยเฉพานะรูปธรรมนี่เขาเรียกว่าพยาธิทุกข์กระแสะชีวิตที่มันหยุดการสืบต่อในพบหนึ่งหงเาเรียกมรณทุกข์ ถามว่าที่มันมีชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทุกข์มรณะทุกข์ทั้งหลายโศกกระปริเทวทุกข์โทมนะสาวปายาทุกในการสแสวงหาหาเลยมากมายเหลือเกินตอนเนี้ยความที่เราเข้าใจรักไม่เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้อะไรเขาเรียกว่าไม่รู้ในทุก์การไม่รู้ในทุกข์ของพวกเราเพราะขาดสุตตาขาดการฟังธรรมะที่เชิงละเอียดลึกซึ้ง ที่จริงมันจะต้องมาไล่ให้เห็นตั้งแต่ชาติทกตั้งแต่การเกิดว่ามันเป็นยังไงยังไงยังไงเป็นต้นเนี่ยไงคือคือบางทีเราเราไม่เห็นความจริงของชีวิตถ้าไปเห็นความจริงของชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยกระแสะชีวิตเนี่ยทั้งรูปธรรมและนามธรรมไม่ว่าเป็ น, ปนผมขนเล็บฟันหนังเ น, นเงื้อเยื่กระดูกเยี่ยนในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งหลายเหล่านี้ยี่ธรรดารูปธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันจะต้องมีการ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเซลลเซนเซนในร่างกายเนี่ยที่มันแตกดับสืบต่อตลอดเวลามันเป็นอาการทุกข์ของมันเป็นอาการไม่เที่ยงของมันอาการเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่เขาไม่เห็นความจริงตัวเนี้ยหยาบหยาไปทุกในอริยสัจยังไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงทุกในในใจรักชาติทุกชราทุกปยาที่ทุกวรกรณ ะ, ะทุกโสกกาพิริเทวทุกขโทมนะเสาวพญาเราสวดกันตลอดเลยนะ แต่จริงๆไม่เห็นจริงๆไม่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ญญอ่านตำราสารถสังฆาสารถาสมุทียสังหะเป็นตำราที่แต่งขึ้นในสมัยลังกาสมัยพระเจ้ า, ร า, าพระรมาภามิพระเถวราแต่งแล้วต่อมาเข้ามาในประเทศไทยเราสมัยยุยาเนาะในยุคนั้นแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทย เขาท่านพรลลานาในเรื่องของธรรมจักรกับปตนสูตรว่าชาติทุก์เป็นอย่างนี้อ่านแล้วโอ้โหมันเห็นมันเห็นความเกิดเนี่ยมันสาหัสสักการจริงจริมันห้ามหันเบียดเบียนบีบคั้นกระแสชีวิตมูสัตเนี่เราไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างสาหัสสักการอย่างมากเลยมันบีบคั้นมันกดดันมันขัดแย้งตลอดเวลาเลย แล้วก็มันมันต้องดิ้นหล่นกระเสือกกระสนตลอดมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวมันเองไอ้ชาติทุกข์ไอ้ชร า, าทุกข์ก็โหยห้ามหันเบียดเบียนพยาธิทุกข์ก็โหยก็มาวิปริตปิดเพี้ยนมราณะทุกข์ก็คือตายชาติทุกข์เป็นปัตถมเห็นไหมล่ะชร า, าทุกข์พยาธิทุกข์นี่เป็นทารากลางมรณะทุกข์ก็เป็นที่สุดมันก็เป็นของมันอยู่เนี้ยแล้วก็ตามไม่ได้ความโศกความลำลายลําลาลําไยลําพันุ์ไม่สบายกายมัน ความกลับแก้นใจปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นยำปิดชังนรัพติตามปีทุกขังแล้วก็เนี่ยว่าโดยย่อมาสรุปลงอุปาทานาคนะคะมันเป็นเป็นกระแสของความทุกข์เนี่ยอวิชามันปิดก็เลยไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ดิ้นหลนควนขวายสแสวงหาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจตลอดเวลาเลยชีวิตของเราเนี่ยเห็นไหมว่ จริงๆแล้วก็คือพอเราไม่รู้ทุกไม่รู้ว่ากระแสชีวิตที่เป็นเป็นส่วนของรูปธรรมและก็นามมาธรรมไอเวทนาขันมันก็เกิดดับสืบต่อสัญญาขันก็เกิดดับสืบต่อสังขารขันก็เกิดดับสืบต่อวิญญาณขันก็เกิดดับสืบติต่อรูปนามกายกับใจเนี่ยมันเป็นกระแสชีวิตที่มอนได้มาแล้วเนี่ยมันต้องดูแลต้องประคบปรงโลงตลอดแล้วมัน ไอ้ น, นี่มันเป็นเป็นผลของปัญหาอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวปัญหาชีวิตเลยนะไอ้ทุกตัวนี้ถามว่าเราเคยเจาะเห็นสภาวะจริงๆว่ามันเป็นปัญหาจริงๆไหมเราเ็เห็นว่ามันเป็นปัญหาชีวิตจริงๆเลยไหมว่าเราจะต้องดับมันให้ได้เราจะต้องหยุดการสืบต่อของมันให้ได้ ถ้ามันสืบต่อเป็นไปในสังสารวัฏนี่ก็เรียกว่าทุกข์มันขยายตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมเรารู้ความจริงของชีวิตขนาดว่าเราจะต้องหยุดการสืบต่อของไอ้ทุกข์นี่ได้มันรู้พอมัเป็นทุกข์จริงๆถามว่าที่บอกเป็นทุกข์เนี่ยพอมันได้กระแสะชีวิตมาแล้วเนี่ยแค่ต้องทุกข์ในการสแสวงหาอาหารทุกข์ในการบริหารขันทุกข์ในการที่จะต้องหาเครื่องนื่งห่มยาอาหาร ทุกในการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนในการขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันทุบตีกันมีปัญหาชีวิตตามมาอีกเยอะแยะหมดเนี่ยมันก็มาจากไอตัวนี้แหละไอตัวกระแสชีวิตนี่แหละเห็นไหมโมหะมันปิดหมดเลยนะมันแล้วก็นอนอยู่กับมันเหมือนมันไม่ใช่ระเบิดเวลาเหมือนมันไม่ใช่ระเบิดเวลาเลยนะนอนอยู่กับมันเดินอยู่กับมันนั่งอยู่กับมันยืนอยู่กับมันแล้วก็ประคับประงมมันทั้งๆที่มันไม่เคยเป็นไปอย่างที่เรา เราเห็นเลยความเห็นของเราแย้งกับความเป็นจริงตลอดเพราะโมหะมันปิดความจริงของมันเน่ยมันไม่เคยทรงตัวอยู่ได้เลยมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วมันเป็นกระแสะชีวิตระบบการสืบต่อเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ไปเกิดล้วกไปแก่แล้วก็ไปเจ็บแล้วก็ไปตายแล้วก็โศกมันก็วนหลู่พึ่งมันอยู่อย่างเงี้ยออกก็ไม่ได้ด้วยเพราะเราโมหะปิดบังนี่ไม่รู้ทุกนี่ ไม่รู้ชาติทุกข์ไม่รู้ชะลาทุกข์ไม่ยายไม่รู้พยาธิทุกข์ไม่รู้มรณทุกข์ไม่รู้โสกกาทุกข์ปริเทวะทุกข์โศกกาคือความโศกแล้วก็ไม่รู้ไอความโศกเนี่ยมันเป็นนามนธรรมใช่ไหมปริเทวะบ่นเพลิก็คือนามนธรรมมันกลุ่มโทสะาเงี้ยเวลาโทสะเกิดขึ้นมาปุ๊บไอมันก็บ่นเพลิ่ลำพันปริเทวะทุกขะโทมนะสาวปายาศาสทั้งหลายจนถึงว่าโอ้เสื่อมญาเสื่อมยศทั้งหลายเราเนี่ยเนี่ย มันก็โศกมันก็ลำลายลําพันไปก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าไอ้จริงๆมันเป็นนามธรรมา ท, ที่มันเกิดจากความไม่รู้มันเกิดจากความยึดติดยึดถือขึ้นมาก็เที่ยวไปอะไรอวร์ไปยึดติดอะไรเจออะไรเกี่ยวข้องอะไรก็ยึดติดในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นเพราะมไม่รู้ความจริงของชีวิตเลยความคิดที่ความควา ม, ความจริงของชีวิตในส่วนรูปธรรมเช่นตัวผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย ห, น ห, ย ห, นหนันใหมหันกล้มันสมอง กุมธาตุดินก็ไม่รู้ไฟที่ยังกายอบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทมไฟเผาอาหารเนี้ย่อยไฟที่ร้อนขึ้นมาตามลําดับจนถึงขนาดเผาไหม้เป็นจุดก็ไม่รู้ว่าเป็นธาตุไฟเท่านั้นเองไม่รู้ลมที่พัดขึ้นเบ้างบนเลอบ้างหาวบ้างลมพัดลงเบื้องล่างถ่ายเจริปัสสาวะลมในช่องท้องลมในลใําไส้ลมที่พัดผันไปตามวิวัฒน์ทำให้กระดิกมือกระดิกเท้าเป็นต้นอะไรแล้วก็ล ม, มาหายใจใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้ ไม่รู้ธาตุดิน้าตน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่รู้ดีเสเลตหนองเลือดเหงือมันคน้นน้ําตาเปรี้ยวมันน้ำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นธาตุหรือเป็นรูปประทับเหล่านี้ยมันมีอยู่ทุกจุดของร่างกายแล้วก็เกิดดาบสืบต่อถ้าเกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าชาติทุกขพอมันเริ่มคําค่าอินทรีย์คือตาหูจมูกเล่นกายทั้งหลายมันมันเริ่มค่ําค่าเรียกว่าชาลาทุกวิปริตผิดเพี้ยนทำหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนมีอะไรเข้ามากุ้มรุมมาเบียดเบียนบีนบคัน้นเรียกพยาธิทุก หยุดการสืบต่อแต่ละพบเรียกมรณะทุกเนี่ยมันถ้ามีความโศกความล่ำลายลําพันกับการพัดภาคกับการสูญเสียทั้งหลายก็เรียกไปตามสภาวะก็คือทุกผลที่มันออกมาแต่เราไม่เคยรู้ความจริงว่ามันมันเป็นทุกในตัวงมันเองไม่ใช่ทุกใจนะไอ้ทุกใจมันการวางท่าทีทางใจไม่ถูกนั่นก็เป็นพวกกลุ่มโสกกาบีิเทวาไปแต่อันนี้มันเป็นทุกในตัวงมันเองตลอดมันบีบค้นเบียดเบียนตลอด ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละไอ้ก้อนทุกนี้สภาวะที่เป็นทุกข์เนี่ยแต่มันไม่รู้ไม่รู้ความจริงว่านี้คือทุกไอ้ทุกเขอายานังเนี่ยไม่รู้ในทุกขคําว่าไม่รู้ในทุกก็คือไม่รู้ชาติทิทุกชราทุกพยาทิทุกมรณะทุกเป็นต้นไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้ทุกในไตรลักษณ์ด้วยไม่รู้ทุกในอริยสัจด้วยมันมืดบอดหมดเลยนะไม่รู้ แต่ไปเห็นเป็นบัญญัติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายก็ไปหลงไปหลงในไอ้ก้อนทุกเนี่ยเพราะจริงๆรมันมีสภาวะขันห้าก็ไปยึดติดขันห้าวันนี้เป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอาตาตัวตนก็เป็นสัตว์สิ่งของก็ไปยึดนี่หลงบัญญัตินะหลงบัญญัติเองเบื้องหลังหรือสภาวะที่มันครอบ ที่มันเป็นจุดใหญ่เงี้ยก็คือตัวปรมามัตธรรมไอ ต, ตัวตัวทุกข์กษัตริย์มองเห็นไว้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์กสุภเทียอายา น, นังความไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์อัตภาพร่างกายเนี่ยนั่นมาจากสมุทยัยมาจากวิชาตนาวิปทานสังขารและกรรมตรงนี้ก็ตันกระจัดเป็นการปัจจานาบววตน า, ตนาวิบวตนาก็ว่าไปไม่รู้ไอ้ตัวนี้ การมาตหาเพราะว่าตนาวิเพระว่าตน า, ตนาไม่รู้ความยินดีหลงไหลในกามคุณคือรูปเสียงกินรสปวดพระความยินดีพอใจในเด่นแฮมขึ้นไปไปเอาหนังสือในห้องอาจารย์ที่ก็เขียนว่าสมุตติยะสมุตติยะสังหะสารธาเออเข้าไป้เขียนว่าสารธาสังหะที่เขียนไว้ในหน้าปกในห้องนะ เจ็ดจ ะ, จ ะ, จ, ะจะมาอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งจะได้ท่านขยายตรงเนี้ยอาจจะลึกนิดหนึ่งก็คงไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีในนั้นคำภีเพิ่งไม่รู้เลยอ่า เราคิดว่าไม่อร่อยเราจะรู้ได้ยังไงมันเราไม่ได้คิดไปเองคือจ า, าวาหรือเราคิดไปเองอเข้าใจวิธีคิดวิธีวิจัยแยกแยะเขาไม่ให้คิดไปเองว่าไม่อร่อยไม่อร่อยเขาไม่ให้ท้องนั่นหรอกเขา <c oughs> เขาให้ใช้ปัญญาไปวิจัยแยกแยะว่าไอตัวอาหารมันมาอย่างไรวิจัยมา ถ้าเป็นเนื้อก็วิจัยมาตั้งแต่มีชีวิตตอนเราไปแสวงหาตอนที่เป็นเลือดตอนที่เป็นเนื้อตอนที่จะก่อนจะทําอะไรต่างนั่นแหละให้เห็นความไม่สะอาดหเห็นความจริงมันจริงๆว่างั้นด้วยว่ามันมาจากก็ไม่ต่างอะไรกันเนื้อเนื้อมาจากอะไรใช่ไหมมาจากสาัตว์ที่มีชีวิตแล้วเวลามันตายมามันเน่าเหม็นใช่ไหมแต่เอาเนื้อมามาปรุงแต่งยังไง มันเห็นเห็นความไม่สะอาดตั้งแต่มันเป็นอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตแล้วเห็นความไม่สะอาดในการปรุงในการทําไล่มาตามดับในการไปแสวงหาจนถึงว่าหยิบไองนั้นมาใส่ในปากที่มันมีน้ําลายน้ําลายที่ปลายลิ้นใส่ๆกลางลิ้นคุณๆหน่อยโคนลิ้นก็เหลืองเตอะแล้วมันมาเกลือกกล้วนยังไงไอตัวน้ําลายทั้งหลายที่มันเกลือกกล้วกับดินน้าไบลมที่เรียกว่าอาหาร เรียกว่าข้าวเรียกว่าผักอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไอ้ดินน้ําไฟลมเหล่าเนี้ยมันก็มาเกิดกลั่วกันมันก็มีน้ําแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของไอ้ตัวชิวหาปราสาสตรเห็นไหมชิวหาปราศาสตรมันก็แผ่ซ่านไปเป็นตัวโอชาอาหารทั้งหลายสารของอาหารทั้งหลายที่เคี้ยวเคียวเยวแต่ละครั้งเนี่ยที่มันรู้สึกอร่อยมันชอบมันชอบจริงๆริงเนี่ยคือมันน้าลายใช่ไหมมียางเหนียวมีน้ําลาย ทะเลืใช่ไหมที่มาเกิดกลัวทั้งหลายตัณหาความไม่รู้ความอยากเกิดขึ้นความไม่รู้ก็ปกปิดพอาคายออกมาดูสีคนละเรื่องกันเลยอย่างนี้เป็นต้นได้ไหมเนี่ยในกรณีอย่างนี้พอเวลาเขานั่นสอนจริงๆก็คือเขาให้มองเห็นความจริงตรงนั้นทีนี้ เดี๋ยวจะไม่ไม่อธิบายในรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องว่าในเรื่องของคําว่าไอชาติทุกขเป็นต้นเหล่านี้จนถึงตัณหาเป็นต้นอธิบายตรงตามนี้จะเห็นจะได้เห็นชัดนะชาติทุกชร า, าทุกพยาทิทุกมรณะทุกทั้งหลายจนถึงโศกกา ป, ปริเทวะทุกขโทมนาสและอุบายาศาเนี่ยในนี้เขาอธิบายกอนข้างเออมันเห็นชัด เห็นชัดก็คือว่าไอตัวตัวทุกข์ษั์เนี่ยเอออย่างยกตัวอย่างเช่นชาติทุกนี่ก็ประมาณนี้นพเขาบอกว่าเมื่อแรกเกิดทุกมีทั้งหมดอะไรกี่กองนะชาติทุกหนึ่งชาราทรุกพยาทุกมรณะทุก โสกทุกปริเทวะทุกข์แล้วก็ทุกขทุกโทมนัทอุปายาสาทุกข์อปิเยหิสัมปโยคะทุกปิเยหิวิปโยคะทุกขยามปีฉังนราพติทุกข์แล้วก็ปัญจุปาทานาคันตาทุกสิ13ามกองในสิบามกองเนี่ยว่าถึงชาติทุกข์คือการเกิดขึ้นของสัตว์ที่ปฏิสนธิ อันทชะาชราพุชาสังเสรชะาโอปวัติกะอันทะชะนี่เกิดในไหนเกิดในไข่เกิดในฟองไข่พวกเราเป็นกลุ่มอันทชาไหมเราไม่ได้เกิดในไข่ใช่ไหมชราพุชาในครันขราพเจ้าเสกกาเลือกชราพุชา้านี่นึงเกิดในครนมันดาสังเสรชะาเกิดในกลุ่มยางเหนียวในที่ชื้นแฉะ แล้วก็โอปปะติกะผุดขึ้นพวกสัตว์นรกหรือพวกเทวดาเป็นตนไงนะกลุ่มเราคือกลุ่มชลัพุชานะทีนี้ในในพระไตวปิดกท่านพูดถึงเรื่องปฐมังกาลังโหติเป็นตน้นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถือปฏิสนธิในครานมานดาเนะี่ยเมื่อแรกเกิดเป็นกาลละ เป็นเป็นน้ำใสๆน้ำใสๆอยู่ในมดลูกของแม่กาลาลาเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำใสๆอยู่ติดอยู่เหมือนก็ว่ากงั้นใช้ปลายหางของจามบลีจามบลีก็ควายที่เบตเนี่ยมันให้หางใช้คนหางคนหางมาจุ่มจุ่มที่น้ำน้ำมันก็แล้ระสลัดเจ็ดครั้งที่มันยังเหลืออยู่มันใสๆ นั่นแหละพอพอหลังจากใส่แล้วต่อมาปุ๊บมันณจากใส่ใสมันเริ่มขุนขึ้นเจ็ดวันนะพอได้เจ็ดวันขุนขึ้นมันสีน้ําล้างเนื้อพออีกเจ็ดวันปุ๊บมันกลายเป็นชิ้นเนื้อพออีกเจ็ดวันปุ๊บสันผานมันเท่ากระไก่ไก่อย่างเงี้ยนะพออีกเจ็ดวันปุ๊บมันกระเบืงแตกออกมาเป็นปัญจาสาขาเป็นขาสองแขนสอง และซีสต์หนึ่งแล้วก็ต่อมาก็มีพวกเกสาออมาก็เริ่มแตกขึ้นมาเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เวลาเราอยู่ในท้องของแม่ท่านใช้คําว่าอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยเราหันหน้าหันหน้าไปทางทางหลังของแม่ใช่ไหมหันหลังออกที่ ที่ข้างบนศรีรษะเราก็กระเพาะอาหารของแม่ก็คดคู่อยู่คดโคู่อยู่เหมือนเหมือนลิงอยู่ในโพรงไม้เหมือนลิงอยู่ในโพรงไม้แล้วก็าหาันหน้าเข้ามาไปทางกระดูกหลังของแม่เหมือนวานนอนที่อยู่ในโพรงไม้ตอนฝนตก ทั้งผืดคือรกนั้นก็หุ่มกายอยู่เท้าเลยทั้งหลคดคูไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้ใช่สวยทุกอยู่ในในท้องของแม่แสนสาหัสจัดว่าอยู่ในขุมนรกแต่โมหะปิดเราไม่รู้เห็นไหมไม่รู้เพราะอะไรโมหะโมหะยังหนานแน่นเลยสัตว์ที่จะไปเกิดใหม่เนี่ย มันอยู่อย่างนั้นเลยคุดค้อยู่งนั้นเลมืดมนอนธการนักมีกลิ่นอสุภะกลิ่นเหม็นในในท้องแม่เหม็นตลบอบอวนทุกเวลาทุกนาทีเห็นไหมแต่เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะตอนนั้นไม่หายใจใช่ไหมเออไม่ได้หายใจ เป็นหน้าลังเกียจมากเตโชวทาต่ของแม่เผาให้ร้อนทุรนทุรายทุกขเวทนาเวลาแม่กินของร้อนนสัตว์ที่อยู่ในท้องของแม่เนี่ยเขาจึงเรียกว่าคับโพกันติกามูรากทุกกรทุกในการอยู่ในท้องเป็นมูลเป็นเหตุแสนเยตระมานตรงนี้ท่านใช้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะทําลายโมหะซึ่งเคยเห็นผิดนะ ที่เไม่รู้เสีให้เข้าใจบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมานักสการบ่อยๆเห็นอะไรก็แล้วแต่ต้องวิจัยเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้บ่อยๆดึงข้อมูลเหล่านี้ใช้สติดึงข้อมูลความจริงเหล่านี้มาวิจัยฟังคําสอนของพระเจ้าว่าชาติทุกข์เป็นแบบนี้กรณีการอยู่ในคันก็คับพอกานติกามุรากทุกอันนี้จัดเป็นทุกประการแรกอันนี้ยเขาให้วิจัยอย่างนี้นะ ถ้าไม่มีคำสอนพระเจ้ามาบอกอย่างนี้เราจะไม่สามารถเห็นความจริงตรงนี้ได้ประการที่สองก็คือมารดาล้มเดินยืนกลับตัวกลับไปลุกขึ้นลุ ก, ล, กลงทั้งหลายเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในท้องก็สวยทุกเวทนาสะดุ้งตกใจหวาดเสียวตลอดเวลาแต่เราลืมหมดแล้วหวาดหวันตลอดเวลาเหมือนลูกสายอ่อนที่อยู่ในเงื้อมมือของนักเลงสุา ไอคนคนขี้เล่ามายาที่มันจับลูกจับเนื้อจับสัตว์ได้นะหรือเหมือนงูตัวน้อยอยู่ในมือของหมองูกายมันซัดไปซัดมาซัดขึ้นซัดลงกลิ่งไปกลิ่งมาอยู่อย่างนั้นแหละหน้าลำบากหน้าเวทนามากเลยนี้เป็นเมื่อมารดากินของเย็นเข้าไป สัตก็เย็นละเยือกสยดสยองเลยนะมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมฟืดลงมาเลยทั้งตัวเลยครับเย็นสยดสยองเหมือนสัตว์อยู่ในนรกที่เย็นหมดว่ากินของร้อนเข้าไปเช่นกินอาหารร้อนๆทั้งหลายเข้าวตุ้เขา้เขาต้มร้อนๆทั้งหลายเนะี่ยสัตว์ที่อยู่ในคันก็ดิ้นทุรนทุลายเหมือนกับฝนฐานเพิงตกเข้าไปแล้วมันจะร้อนขึ้นมาอีกทันทีอย่างเงี้ยไปสัตว์อยู่ในคันเนี่ยจะเจ็บแสบมากทั่วสปะพางร่างกาย ดดคนทั้งหลายต้องอชาชญาหรือเหมือนเขาแล่เนื้อออกแล้วก็เอาเกลือทาเปนเนื้อหมือนแล่เนื้อเอาเกลือทาเสวยทุกเวทนาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าคับพระปริหารมูรกทุกทุกจากการบริหารคันบริหารก็คือยืนเดินนั่งนอนกิ่งไปกิ่งมาไม่รู้แม่ก็งโง่แม่ก็ไม่รู้เรื่องลูกก็งโง่ใช่ไหมโมหะต้องโมหะอยู่ด้วยกันเนี่ย ก็ไม่รู้หรอกมันก็ทําตามอหมอบอกมันก็ไปออกกําลังกายไปยืดไอ้เจ้นั้นก็โอ้โหยุ่งโคตรทรมานเลยนะทรมานไปแล้วแม่ก็ไปโยกตัวโยกอะไรต่างๆก็ไม่รู้ไอ้เจ้นั้นโคตรหวาดเสียวเลยเอเอาทํำไงดีลองเข้าเน็ตตูมแล้วกิ้งไปกิ้งมาสนุกใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่า ขับาพาปริหาระมรูละกระทุกนี่เป็นประการที่สองนะต่อมาก็คือว่าอยู่ในคันนอนขวางออกไม่ได้เวลาจะออกขวางบางทีมันขวางใช่ไหมออกไม่ได้หมอจับเท้าดึงสมัยโกรานเนี่ยต้องจับเท้าดึงหรือว่าแต่ตนละมานะผาบางอะไรบ้างก็ว่ากันไปอันเป็ น, น, น, ปนขับพาวิปัติมูละกระทุก ก็คือประการต่อมาก็คือเวลามีลมกำมะชวาดภาษาเรียกลมกำมะชวาดกลับเอาตัวสัตว์ทั้งหลายเอาเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างฉะนั้นลมประเภทนี้ยมันจะบิดอย่างเงี้อยอ่าเร็ว น, นนะเวลาจะคลอดเนี่ยมันมันมันผันไปในท้องกลมกำมะชวาดลมที่อยู่ในช่องท้องมันหมุนฟึดเอา อินขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างเนี่ยเขก็โอ้โหเหมือนบุคคลจะถูกจับโยนจะเขียวลึกอะ่ะจับเท้าขึ้นอะโยนลงอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละสะดุ้งตกใจหวาดวันว่างั้นเถอะทีนี้ตอนจะคลอดออกมาเนี่ยไอช่องคลอดก็แคบเหมือนช้างก็เหมือนช้างออกจากช่องด่านช่องประตู เล็กๆเกนี่ยคูดออกมาอย่างนั้นแหละหรือไอตัวมันมีนรกอยู่ขมหนึ่งเรียกสังคาตานรกสังคาตานรกเนี่ยเป็นนรกที่ปีภูเขาบีบบีบสัตว์นะ่ตัวรีบเลยฮนะรีบตายเลยฮนะไอ น, นี้เหมือนกันไอช่องคลอดของแม่กัะที่ว่าหัวพุ่งพวดออกมาเนะี่ย ทุกขเวทนามากเขาเรียกว่าคัพระชายิกามุรากัทุกนี่ทุกจากการที่จะต้องคูดออกจากช่องคลอดผิวมันบางขนาดนี้นเด็ประการต่อมาเมื่อทารกออกจากคันของแม่แล้วเนี่ยแล้วก็บุคคลก็เอามือหรือว่ามาล้างมาขัดสีทุกเนี่ยดุด ถูกแทงด้วยปลายเข็มหรือเหมือนมิดกรนอมิดกลนแล่เนื้อเขาเรียกว่าคาพาณิกะคมนัมัวรากะทุกข์ก็คือว่ า, วามันเจ็บปวดทั่วสัพพังเลยนะมันแสบมากเจ็บปวดมากที่มันคูดออกมาไม่พอใช่ไหมยังมาถูกเมื อ, อนหยับๆยบผ้าอันหยับๆยบโอ้โหเียนี้กรณีอย่างนี้เขาให้พิจารณาหมดเลยเนะี่ย อันนี้เป็นทุกข์ประการต่อมาคือว่าพอทาโรกออกมาแล้วเนี่ยก็คือบางทีปุพ ก, กรรมมินตามมาเล่นงา น, ดาง น, นเด็กบองกันเถอะตายเสียก็มีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก็คือทุกข์อันใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตดนเครื่องศาสตราวุธของผู้อื่นบ้างต้อ ง, อ ง, อ ง, องถูกประหารบ้างทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นถามว่า บรรดาทุกเหล่านี้ที่พัลนามามันมาจากอะไรมาจากชาติที่ทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์คือการเกิดเส็จแล้วเนี่ยอทุกเหล่านี้มันจะมาจากที่ไหนฉะนั้นกรณีลักษณะอย่างนี้เลยแหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ต้องสวยทุกขเวทนาทั้งหลายเหล่าเนี้ยเช่นสัตว์เดรัจฉานถูกเขี่ยนถูกตีถูกทุบถูกฆ่า กลับมาจะาปฏิสนธิมาจากชาติทุกข์นี่แหละเนี่ยท่านในพิจารณาลักษณะอย่างนี้ว่านี่คือชาติทุกข์ทีนี้พอพิจารณาเห็นชาติทุกข์ทุกวงวงจร อ, อย่างนี้เบดเสร็จปุ๊บ ก, ก็ไปพิจารณาเรื่องชาาทุกข์ชาาทุก์เป็นอย่างไรอินทรีย์คล่ำค่าวิกลวิปริตต่างๆผมงอกฟันหัดแก้มต่อผิวหนังเหี่ยวย่น ทั้งหลายเหล่านี้ น, นี้เป็นชาราทุกข์ฉะนั้นคนที่มีปัญญาให้เป็นเล็งเห็นความจริงของชาราทุกข์ที่มันวิปริตผิดเพี้ยนอย่างเนี้ยบุคคลทั้งหลายผู้มีผมหงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นหูตาปากฟ า, างทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั้นให้เห็นเขาบอกคนมีปัญญาทั้งหลายแค่เห็นผมหงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นกันนี้ยเขาสะดุ้งสะเทือนเขาสะดุ้งสะเทือนกันแล้ว แต่พวกเราสบายมากเลยเห็นโมหะไหมเราเห็นตวานี้เรารู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็ธรรมดาวหมนที่จริงมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะน่ยมันทกมันปรากฏมันรายงานกรณีที่บอกว่าชนทั้งหลายเห็นเขาฟันหักบ้างแก้มตอบตาหูตามืดมัวหูหนวกการจชกายค่้าค่าเห็นผมงอกเห็นเป็นต้นอะไรเนี้ย ก็รู้ว่าความชลามาถึงไอชาราเนี่ยมันขับอายุของสัตว์ทั้งหลายให้น้อยลงบอกงั้นเถอะเหมือนสตรีทอหูกเนี่ยก็พุ่งทอผ้ า, วาเวลามันมันมันมันทอได้มากขึ้นไอที่เหลือก็น้อยไอชีวิตก็เหมือนกันไอชราที่มันบีบบีบบีบบบเข้าไปเนี่ยแปลว่ามันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วนี่ ชลานเป็นทุกข์อย่างนี้มันคืบครานมันบีบคั้นอย่างนี้มันทำค่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ไตหัวใจตับปอดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอวัยวะทั้งหลายที่มันเริ่มเสื่อมค่าลงมาทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าชรลาทุกขชราทุกขส่วนพยาธิเนี่ยพยาธิในที่เนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของความวิปริตผิดเพี้ยน วิปริตผิดเพี้ยนมันแ ป, ปรปลวนเน่ยนะคืออย่างนี้ว่าสรีร่กายนั้นเนะี่ยวิบัตริระสารสายเปรียบเหมือนกับเพลิงที่เกิดเขนะาบอกว่าเหมือนกับลูกม้าสินทบเวลาบางเกิดขึ้นในท้องแม่แล้วเนะี่ยลูกม้ามันเกิดในท้องแม่ลาเนะี่ยเวลามันจะออกปุ๊บมันก็ใช้เท้าถีบขีดท้องแม่ออกมา มันถึงจะออกมาได้มันมีพลังมีกำลังเข็งเลยหรือเปรียบเหมือนกับดังไม้กาฝากว่ามันงอกขึ้นมาบนคบเพิงต้นไม้แล้วมันก็จะทำความชี่หายกับต้นไม้ต้นนั้นเลยหรือเหมือนกับลูกไม้อ้อหรือหรือคุยของไผเวลามันเกิดขึ้นกับกอไผ่เดี๋ยวมันก็ทำลายไผนั้นตายนันไอพญาที่เนี่ยมีลักษณะว่าทาให้เก็บไข้เหนื่อย เมื่อมันเกิดขึ้นในกายสัตว์แล้วก็ยังให้สัตว์นั้นเนะี่ยกำลังวางชามันค่อยๆลด ถ, ถอยลงย่อยยับไปในส่วนจริงมันทําลายจนตายไอปยาธิที่มันเกิดขึ้นมามันเพื่อมันจะมาทําลายกายนี้การัชกายนี้ให้เข้าถึงมรณะให้ได้ขยายยังมันเหมือนโรคม้าที่มันอยู่ในท้องลาลงม้าอาชาใน มันมันกระตกกระตกกระตกถีบมันจะออกมามันจะให้แม่มันตายอันนี้เหมือนการขุี้ไผ่เวลามันเกิดในไม้ไผ่มันก็จะทําให้ไม้ไผ่ตายพยาธิที่มันเกิดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตมันจะทําให้อวัยวะหยุดทํางานมันเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาทําลายแท้ๆให้เห็นอย่างนั้น ไอความเจ็บป่วยทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมาทำลายให้ตายที่พวกเราเมื่อยขบกันเลยสรารพัดเนี่ยเกิดอวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายเลยเนี่ยนั่นแหะมันมันมันจะมันจะทําให้ตายมันทําให้หยุดการสืบต่อเข้าใจไหมเราไม่เคยไปเห็นความจริงอย่างนี้เพราะโมหะมันปิดมโมหะมเขาถึงบ่กให้เห็นทุกจุดแบบนี้เวลาพิจารณาไม่ใช่บอก ยังสบายจะตายกันอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นเถอะใช่มะเมื่อยไหมจริงั้มทั้งๆที่มันแย่ผมในขนเล็บมันมีโรคหมดเลยนะในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในตับในปอดในไส้ใหญ่ไส้น้อยไม่ในอาหารไม่อาหารเก่ามีเชื้อโรคเต็มี่มันสมองในสมอง ในดีในสเลตในหนองในเลือดในเหงือกมันมีโรคทุกจุดเลยทุกจุดหมดเลยนั่นแหละมันจะทําให้มันตายมันมาทําลายมันเหมือนเหมือนคุยไผ่เนี่ยเหมือนไม้อ้อไอเหมือนไอกาฝากเนี่ยไอกาฝากมันขึ้นกับต้นไม้มันต้องรีบจัดการเอาออกไว้ถ้างั้นต้นไม้ตายนี่ก็เป็นการตึงโรคก็ต้องรีบรักษานั่นแหละมันตายมันเป็นพยาธิทุกข์เห็นไหม ชาราทุกมันมันทำให้คล่ำคล้าพญาที่ทุกข์เล่นงานไปอีมรณะทุก์ก็คือจุตติและปฏิปฏิปฏสนที่ของสัตว์ทั้งหลายการขาดลงของรูปประชีวิตและนามาชีวิตไอ้มรณะทั้งหลายเหล่านี้เกิดแก่สัตว์ทั้งปวงเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อใกล้จะถึงมรณะการ ไอเตโชธาตในร่างกายเนี่ยก็บังเกิดขึ้นร้อนกระวนกระวายกระสามกระสายทั่วสัปพาคเลยนะเวลาจะตายจริงๆเนี่ยเปรียบเหมือนคบเพลิงมาวางไว้เหนือลมเป็นไงยิ่งลุกไหมเวลาคนจะตายพบเนี่ยธาตุไฟจะกำเลิบธาตุลมก็พัดผันโหมพัด โอ้ยร้อนทั้งตัวกระวนกระวายถ้ายังมีแรงอยู่ก็ดิ้นถ้าแรงหมดก็ยังไม่ก็ดิ้นไม่ได้ว่าแรงมันหมดนะแต่มันผมไะกระพือกระพือกระพือ น, นี่มันมันมันระสามระสายอันนี้เป็นมรณะทุกนี่มรณะทุกอย่างหนึ่งเป็นทุกเราจะต้องไปเจอ ไปต้องไปเจอที่ว่าไฟธาตุมันไม่ได้ดุดกันแล้วคนจะตายทุกคนแล้วไฟโผมขึ้นมาันลแล้วก็ธาตุลมกระพือกระพือดันก็ไปที่ศรีรษะก็เหมือนขันจนะดันไปที่หัวใจก็เหมือนกรถูกเชืดหัวใจที่ท้องก็เหมือนกับควานท้องทุรนทุลายโอ้โหตอนอาจารย์ป่วยเป็นอย่างนั้นจริงๆงเออ ตาเหลือกลานอย่างนี้เลยตาเหลือกร้านเหลือกร้านตลอดเวลาเลยครับนี่นี่กลุ่มทํากรรมดีเนะกลุ่มทํากรรมดีเนะนไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวเหมือนพะระเจ้าเวลาใกล้จะถึงการมรณาการมาถึงภาษา ร, ริบุตรมรณาการจะมาถึงเนี่ยไทยอาเจียนออกมาเป็พระโลหิตหนักไหมล่ะหนัก นี้แหละคือพยาธิทุกข์ให้เราเห็นความจริงอย่างนี้และในอดีตเคยเป็นแบบนี้มาไม่รู้กี่ล้านล้านครั้งแต่ไม่เคยจําเลยโมหะเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวก็จะกำลังถูกเบียดเบียนไปก็จะเป็นและอนาคตก็ไปเป็นอีกเขาเห็นทั้งอดีตปัจจุบันอ น, นาคตอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งชาติทุกข์ชาราทุกพยาธิทุกข์ให้เห็นความจริงอย่างนี้ค่อยพิจารณาอย่างนี้โมหะมันจะคลายตัวถ้าไปพิจารณาอย่างเงี้ยถ้าไม่พิจารณ า, า, า, ไ, ม า, รณาไม่ใส่ใจใถูก โมหะมันก็คล่องงำทีนี้ไอคนที่ทำกรรมหยาบๆยาบหรือบาปรกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันจะมาตอนไหนตอนมรณะทุกมันมาแล้วกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตบาปรกรรมทั้งหลายที่เคยทำชั่วทั้งหลายมันจะลอยมาแล้วมันจะับมาให้เรารับอารมณ์ยัดเยียดเราแล้วตัวนี้เนี่ยเห็นไหม ชาติทุกมันชราทุกน่ากลัวปยาทุทก ม, ม, มรณาทุกน่ากลัวตรงนี้น่ากลัวสองส่วนหนึ่งตัวไฟธาตุมันมันมันโหมขึ้นแล้วก็วายโยธากระพือทรมานสุดๆ ส, สองบาปรกรรมห ย, ยาบๆที่ทำไว้นิมิตไม่ดีทั้งหลายทุกตินิมิตมันจะมาปรากฏนี่มันเป็นภัยแบบนี้มรณทุก สำหรับบุคคลที่ทำกรรมชั่วทั้งหลายแล้วเราไม่ทำมามีที่ไหนแล้วทำมาหมดเลยอะ่ะในสังสารวัตเนี่ยมันได้จังหวะโอกาสขึ้นมาตอนนั้นสติสัมปชัญญะขาดมาปรากฏแล้วเขาเห็นความจริงตรงนี้ถึงจะเห็นคำว่ามรณทุกมรณทุกเห็นเพิงนรกบ้างเห็นนายนียบานบ้าง เห็นสาตราวุฒิบ้างเห็นแล้งเห็นกามาวินล้อมบ้างสะดุ้งตกใจก่อนที่จิตจะจุดเตี่ยควาแควลเพอแล้วก็ตายไปนี่มรณทุกข์ก็ไปประสบชาติทุกข์ในนรกชาติทุกในสัตว์เดชานชาติทุกในเปรตชาติทุก์ในสุรกายหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นคนบ้าใบบอดหนวกไป เห็นนี ium, ing, k, k, ey, do, what? What? ่ยังชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์มันวนกลับมาอยู่นี้ไหมออกไม่ได้แล้วคุณทํากันไงเนี่ยที่เรามาบวชเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการพระนิพพานนิพพานดับอะไรดับชาติทุกข์นิพพานสภาพที่ไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายใช่ไหมไม่มีความโศความร่าไรลําพันธ์ ไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้อกุศลทั้งหลายทีนี้ถ้าเราเรา ม, ามองเห็นความดีนี่มรณะทุกเนี่นะมรณะทุกย่ำดีสัตว์ทั้งหลายพี่น่าฉิบหายเปรียบเหมือนภูเขากลิ้งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ แล้วก็ทับสัตว์ให้แหลกเป็นจุนชั้นใดมรณะภัยนี้ก็เหมือนกันนักปราดเขาเลยบอกว่าชาติทุกช า, าทุกพญาทุกมรณะทุกเนี่ยเปรียบเหมือน่าศึกสี่คนไงคนนั้นตั้งแต่สแสวงหาอุบายที่จะฆ่าบุรุษที่เป็นเวนที่เป็นเป็นศัตรูกันให้เสียชีวิต่าศึกอีกคนหนึ่งก็เข้าไปหาบุรุษนั้นก็ทาการเหมือนมิตรสหายรักไข่ป ร, ราพโรม แล้วก็บอกว่าสวนอุทยานแห่งหนึ่งนะมาปลาร้าป ร, รมแล้วออไปเที่ยวสวนอุทยานนะว่า้งชวนเราเป็นสวนอุทยานมีน้ำใสมีน้ำตกให้ไปเที่ยวเนาะงั้นแล้วก็ไปไปไปอาการที่เราไปทเที่ยวอุทยานต่งางๆอลไรนี้ก็คือชาติทุทกข์โดนลอ่อแล้วนี่ไอ้ไอ้ไอ้คนคนแรก ชาติทุกข์คือการเกิดพอไปถึงที่ตรงนั้นปุ๊บมันถืออาวุธอยู่คนที่สองไอ้ชลาทุกข์ทบเลยทบเลยเหมือนชลาทุกข์ะทบแล้หง่อมเลยผมหงอกฟันหักหนังเหยือ่อย่นสรีลาโคงงอโดนทบตึงตึงต้งตึงต้งตึนี่ต่อมาคนที่สามถือมีดรอยอยู่ฟันแทงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มัน หยุดทำหน้าที่เป็นวังส่วนนี่พยาธิตทุกทบคานดิ้นปปปปไปทุบไปคนที่สี่ถือมีดดาบคอยอยู่พอดิ้นมาปุบเขาก็ตัดศีรษะปุ๊บแล้วก็หลอกล่อให้ไปเที่ยวอุทยานี่ไปเกิดใหม่วนอยู่เงี้ยวันอยู่แบบนี้ยนี่ยฆ่าศึกสี่คนนี่แล้วว่างั้นหลอกล่อแล้วดิตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชาติชาราพญาธิมรณะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น อันนีเน้เรียกว่าเป็นค่าศึกต่อมาพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องกาปริเทวทุกขโทมนัสสารและอุปายาตที่จะ ไ, ไม่เสียเป็นแบบอ๋อไปถุกสวิกมันดูก่อนภิกษุทั้งหลายลักษณะของความโศกเป็นยังไงสภาวะที่ทำจิตของสัตว์ทั้งหลายให้เดือดร้อนกระสําลรสายให้กวนกวยเหือดแห้งจะนอนก็ไม่หลับจะรับประทานก็ไม่ได้ ด้วยความวิบัติแห่งญาติญาติตายญ า, าติป่วยสมบัติวิบัติเป็นต้นนี้ก็เรียกโศกกะเบียดเบียนสันดานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้สวยทุกขเวทนาอยู่นึงๆเสื่อมญาติเสื่อมยศตลอดถึงทรัพย์สมบัติวิบัติหรือศีลลร ว, ว, วิบัติไปแล้วความเห็นผิดวิบัติไปแล้วนี่เป็นตน้นนี่ก็เรียกโสกกะเคยเป็นไหมเคยโศกไหมล่ะเคือ เ ค, เคยเป็นใช่ไหมโศกโศกกาปริเทวะก็คือร้องไห้ร่ำไห้มีน้ําตาไหลปูมฝ่ายเคยเป็นไหมมารดาบิดาบุตรภรรยาญาตทั้งหลายวิบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ปริเทวาก็บรรเทาทุ ก, ก็คือทุกขะทุ ก, ก็คือทําให้จิตใจหดหู่ทอดใจใหญ่มีเป็นต้นแล้วก็โทรมนัตอุปายานีหนักก็เพื่อนเลย อุปาญาก็คือว่าหมดแรงทกจนหมดแรงไม่มีพละกําลังเกินมาเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดูก่อนพิกษุตทั้งหลายรูปอารมณ์สัทธารลมกันตารมลสาสารมโหดถัพพลมอันมิทิเบ ป, ปามปาถนาก็คือว่าไม่ได้เป็นไปที่เป็นที่ชอบใจถ้าบุคคลผู้ใดได้ครบหาสมาคมกันแล้ว ก็มีจิตเป็นทุกข์ให้เกียรติชัง่งไม่ค่ที่จะนั่งใกล้นอนใกล้ไปจนก็คือปาดอภิเยหิสัมปโยคาทุกข์แล้วก็ปีเหหิวิปโยคาทุกข์ก็คือว่าพัดพดยามปิดชั่งนรพติหมายความว่าอะไรทุกข์อันประกอบด้วยกายเนี่ยหมายความว่าขวนขวายทำกิจกรรมต่างๆ เหน็ดเหนื่อยว่าไงเถอะแล้วก็ปราถนาสิ่งใดมันไม่เป็นไปอย่างที่ปราถนาธรรมะแล้วก็สรุปกองก็เลยสรุปลงที่อุปาทานะขันธ์ที่บอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตั้งหลายเหล่านี้เป็นตัว เ, เป็นตัวทุกข์ที่พอจะมองเห็นไหมว่าเดี๋ยวสรุปรง่ายๆตัวนี้คือว่า ต้องการชี้เห็นว่าตัวทุกเนี่ยเขาให้วิจัยท่านสอนให้วิจัยทั้งหมดตั้งแต่ชาติทุกุกชร า, าทุกปยาทิาาทุกโมระทุกโสกัดปริเทวะทุกขะโทมนะสะอุปายาสะแล้วก็อภิเยหิสัมโมยคะทุกปียหิวิโยคทุกยมปิฉังนรปฏิตัมปิทุกขงังแล้วก็สรุปลงว่าก็คือเพราะมันมี รูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่แหละมันถึงประสบปัญหาอย่างเหมือนปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกเป็นมว้แล้วแล้วปรารถนาที่ไหนแล้วชาติชราพยาธิแต่เราก็ต้องมาประสบมันอยู่นี่แหละเนี่ยมันก็ประสบความทุกข์ตลอดเวลาเราอยากได้นิพพานแี่มันไม่นิพพานนเป็นทุกข์ไว้แล้วโคตรทุกข์เลยเพราะเราเราแค่อยากแต่เราสร้างเหตุปัจจัยไม่ถูกกไม่รู้ นี่ยพาะไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ต่อมาก็พูดถึงเรื่องของทุกขสมุทยัยการมตัญหาบาวะตัญหาวิภวัตัญหานะการมตัญหาะได้แก่โลภะจิตโลภะเจตสิกที่ปรารถนาในการมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะเนี่ยปรารถนาจะบังเกิดในมนุษย์ปรารถนาจะเกิดในเทวดาทั้งหกชั้น บุคคลบำเพ็ญทานรักษาศีลทำกุศลเขาไว้ก็ปรารถนาอยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติการปรารถนาหรืออยากจะเกิดอยู่ล่าไปเนี่ยก็เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจใช่ไหมมันมันเป็นตัวสร้างทุกข์ภวะตัณหาได้แก่โลภะที่มันเกิดขึ้นร่วมกันกันกบสัต์สตาทิฏฐิ มันมีความอยากความต้องการแล้วก็ไปเห็นว่ารูปปะพบรูปรพบเนี่ยพอไปที่นั่นแล้วมันจะเที่ยงแท้แน่นอนว่ากเมันมั่นคงจิตก็เลยยินดีที่จะทำช้านทำสมาบัติให้เกิดขึ้นนิดว่าโดยว่าโดยตามหลักการคิดว่ามันจะมั่นคงแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันไม่มีขันที่ไหนมันจะเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนนี่ความเข้าใจผิด ได้ความที่มีความโลภอยากจะได้ภาวะที่มั่นงคงเขาเรียกว่าเกิดร่วมกับสัตสสระทิทฐิเห็นวะเที่ยงส่วนวิภาวะก็คือโลภะเกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิยินดีในฌานสมาบัติสำคัญว่าถ้าไม่ได้ไปบังเกิดพรมโลกก็จะลงมาเกิดมนุษย์อย่างเงี้ยก็จะได้สังขารธรรมที่ขาดศูนย์ก็เลยไปเข้าใจบอกว่าพรมโลกนั่นแหละเป็นที่ขาดศูนย์ ไม่กลับมาเวียนหวตายเกิดอีกแล้วก็เลยไปเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ทุกขสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกองทุกข์มีชาติทุกชราทุกพยาที่ทุกเป็นต้นกองทุกทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเกิดจากตัณหาการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิวตัณหานี่แหละ ถ้าเว้นจากตัณหาแล้วพวกชาติทุกชราทุกพยาทุกมรณะทุกเนี่ยมันมีไม่ได้ท่านจึงสอนในีพิจารณาว่าตัณหาตัวเดียวนี่แหละพายสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสิ้นกาลนานว่างั้นเถอะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยอริยสัตว์ทีนี้ตัวตัณหาเนี่ยมันมีพลังอย่างไงารเวลาความโลภมันเกิดขึ้นมาเนี่ย มันแผ่ไปตามอารมณ์เช่นนะมันยินดีในในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของตนเองหกไหมมีตามีหูถ้ามีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลิภัพฑ์มีทำอารมณ์ก็ไปยินดีก็รูปปัตนหายินดีในรูปสัทธตันหายินดีในเสียงคันธาตันหายินดีในกลิ่นระสาตันหายินดีในรสผลิตภัณตัตนายินดีในผลิภัณฑ์ธรรมตนายินดีในธรรมอารมณ์เนี่ย ก็คือการยินดีทั้งภายในและภายนอกอยินดีอย่างนี้เป็นสิบสองไหมสิบสองใช่ไหมอดีตสิบสองปัจจุบันสิบสองอนาคตสิบสองเป็นเท่าไหร่เนี่ย <36. S 1> ภายในสามสิบหกภายนอกก็เล็บกลายเป็นตัญหาสามสิบหกต่อสามหกเป็นร้อยแปดใช่ไหมใช่ เพิ่งร้อยปเด็กเรียกตัณหาร้อยแปดนี่มันสร้างไปแบบนี้ตัณหาเนี่ยมันไปตามอารมณ์ทั้งหมดทั้งภายในภายนอกทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นทั้งอายตนะทั้งหลายเดี๋ยนี้ไปมากมายหมดเลยเนี่ยสภาพตัณหาเหล่านี้แหละตรงนี้ต้องการคีดเห็นว่าเนี่ยไม่รู้จากทุกแล้วก็ไม่รู้จกเขียนให้เกิดทุก ทุกขานิโรเทยายานางความไม่รู้ในความดับทุกอันนี้หมายถึงไม่รู้จากพระนิพพานไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็คือถ้าดับตัณหาได้ตัณหาไม่เกิดทุกมันหยุดตัวกระแสชีวิตมันหยุดการสืบต่อสภาวะที่ดับวัตถุ คือพระนิพพานก็ไม่รู้สภาวะของพระนิพพานนิพพานังปรามังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบุรมษธรรมนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากชาติทุกชราทุ ก, ท ก, ท ก, ทกพยาทุทกมรณะทุกข์พ้นจากชาติทุกชราทุกพยาทุกมรณะทุกขพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างไรสภาวะที่มันดับตัณหาราคา้าโทสัมมุทะมนเลยมันจะมีส่วนว่ากิเลสนิพพานก็คือกิเลดับ กับขันท่นิพพานก็คือขันดับนี้ตาบใดยังให้กิเลสนิพพานไม่ได้ก็แปลก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นตัวนิโลธะตัวพระนิพานเนี่ยเป็นสภาวะที่ดับวัาแตทุกขเป็นกิจที่ควรทกเป็นกิจที่ควรรอบรู้ใช่ไหมสมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรประจักษ์แจ้งควรรู้ถึงสามตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรเขาเนี้ยจริงๆแล้ว มาทำข้อที่จะพูดต่อเนี่ยคือมรคแต่ว่าโมหะเนี่ยมันปิดหมดเลยหนึ่งไม่ได้ไปรู้ทุกไม่รู้สองไม่รู้เหตุให้เกิดทุกโมหะปิดหมดนะสามไม่รู้นิโรธไม่รู้ไปไงไม่รู้นิโรธจะประจักษ์ไงสี่เนี่ยสําคัญที่สุดคือไม่รู้มรคไม่รู้อริยมรคไม่รู้ว่าจะประ จะประกอบสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปะสัมมาวาจ JA, าสัมมาการรมตตาสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิในจิตยังไงมันไม่รู้เลยว่าจะประชุมยังไงจะทํำยังไงให้สมาธิฏฐิมันเกิดสัมมาสังกปะเกิดสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิจะทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นยังไงมันมึนมันทําไม่ได้มันไม่รู้จะทํำยังไง พอไปทําก็ได้แต่รูปแบบกันอย่างเงี้ยได้ได้ไ ด, ได้แต่มันไม่รู้จะทําให้เกิดขึ้นยังไงเคยเป็นไหมเขาให้สวดมนก็อยากจะสวดมนนะเขาให้ไปเดินจองกรมก็อยากจะเดินเขาให้ทําอะไรก็อยากจะไปทําหมดแล้แต่มันไม่รู้ว่าเอีไ อ, อตัวสัมมาทิฏฐิมันเป็นยังไงวะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่รู้อะไรปิดไว้โมหะปิดเนี่ยไอไม่รู้ตัวนี้ยุ่งนะเนี่ยไม่รู้ทางไม่รู้ข้อปฏิบัติก็ว่ากันไป โดยง่ายๆคือว่าไม่รู้จะประชมให้มาร์กมาเกิดยังไงอย่าลืมนะว่าสมาทิฏีิได้แก่ปัญญาสัมมาสังกปะได้แก่วิตกคือสมาสัมมาวาจาก็คือสัมมาวาจาเจตสิกธรรมสัมมากรรมตาก็คือเจตสิกที่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยศีลที่สัมมาวาจาเป็นศีลที่กำกับ พฤติกรรมทางวาจาสัมมารกรรมตะคือศีลที่กำกับพฤติกรรมทางกายสัมมาอาชีวะศีลที่เป็นตัวกำกับในการกายวาจาเนี่ยที่ดำเนินชีวิตในการเลี้ยงชีพที่งดเว้นจากวิจิตรเจตุลและกายเจตุลสัมมาวายมะคือตัวความเพียรสัมมาสติคือตัวสติเทลลึกสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นตัวมร์แ8ดมันคือหนึ่งในขันแต่เป็นกลุ่มสังขาระขันใช่ไหมล่ะเป็นสังขารละขัน น, าาข น, นี่ เป็นหนึ่งในกระแสะชีวิตเนะแต่เราไม่สามารถดึงหรือประชุมได้เพราะถูกปิดมานานเราไม่รู้วิธีการเพราะโมหะปิดอยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะดึงขึ้นมาได้ยังไงให้มาเกิดขึ้นในดวงจิตในจิตใจเราได้ยังไง<ส>เวทนาขันสัญญาขัน<อ>กับวิญญาณขันไม่ใช่องค์มรรคแต่เป็นตัวประกอบวิญญาณขันก็จิตเป็นประธานใช่ไหม องค์มัคแปดเมื่อกี้ที่เรียกว่าเป็นมัคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางดําเนินเนี่ยเป็นภาวะที่จะลงมือทำเนี่ยเป็นกลุ่มสังขารละขันในบรรดาสังขารละขันมีเท่าไหร่ถ้าดูมองปฏิเจตจจิกระทำเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันอีกหนึ่งเหลือห้าสิบห้าสิบนะในห้าสิบเป็นสังขารละขันฝ่ายไม่ดีเท่าไหร่แตเนี้ยโมจตุกะสี่โมหหิการโนตปะอุทจาร โลติกาสามโลภะทิฏฐิมานะโทจตุกะอีสี่โทสาีกสามัาฉริยกุกุจยาทีนามิทะแล้วก็วิจิกิจฉาทั้งหมดเท่าไหร่สิบสี่อากุศลรเ จ, จรสิกสิบสี่เนี่ยกลุ่มพวกนี้สังขารขันฝ่ายไม่ดีเนี่ยเราไปเอาพวกนี้มันเกิดมันเลยกลายเป็นมิจฉามากเราต้องขจัดพวกนี้ออกใช่ไหม แล้วก็ทํามรรคแปดให้เกิดขึ้นนี่บรรดามรรคแปดอย่างเดียวได้ที่ไหนต้องเอาภัสสเวทนาสัญญาก็ามาเกิดร่วมต้องอกลุ่มพวกศรัทธาใช่ไหมตัตรมามัจฉาตากายยะปัสสติจิตตปัสสติกายะรหุตาจิตตาหุตากายยมุตุบบาตาจิตตุมุตตากายยะปคุญตาจิตตปคุญกายยชุกุตาจิตตุชุกุตาสัมมาวจารสมาาสมากรรมตาสมาาสมาชิาวะพวกนี้ต้องให้มาเกิดจนถึงปัญญาเนี่ยให้กลุ่มสังขารละขันธ์เหล่านี้มาเกิดร่วมแต่จริงๆแล้วขับเน้นแปดองค์ ขับเน้นที่เป็นองค์มรรคจริงจริงคือสมาธิฏฐิสมาสังกปะสมาธิฏฐิคือตัวปัญญาสมาสังกปะคือตัววิตกแต่เป็นวิตกไฟดีสัมมาวจาสัมมากรรมตตาสัมมาชีวะนี่กลุ่มศีลสัมมาวิมมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่กลุ่มสมาธิสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เราพูดกันจังเนี่ยสิกขาสามสิกขาสามเนี่ยที่พูดเนี้ยดราศการเจริญต้องเจริญยังไงที่จะทําให้มรรคเกิดนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะนี่เราไม่รู้นี่พอไม่รู้เบเสร็จปุบาวิกข มักสิกขาเจริญสิกขามาฝึกสิกขาสามให้เกิดขึ้นว่านั้นเถอะ อ, องค์ธรรมของสิกขาได้แก่อะไรได้แก่กุศลจิตตุบบาทกุศ ล, ลจิตเนี่ยที่มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเป็นต้นเนะ่ยเป็นประธานนี่เขาเรียกสิกขา ส, า ม, ส า, ามคือตัวนี้สภาวะธรรมคือตัวนี้ความเพียรสติและปัญญาให้เป็นประธาน กุศลกิจเกิดขึ้นต้องมีจุดมุ่งหมายก็ผักตัวนี่ให้มันเกิดความเพียรถ้าในในสติปัฏฐานก็คือกายเยกายานุปัสสิวหัติอาปาตาปีสัมปชานโนสติมาวินนญาโรกีอวิชาตมานะสังว่างั้นใช่ไหมมีความเพียรมีสัมปชันพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสัอภิชาคืออะไรโลภะทั้งหมดโทมนัสคืออะไรโทสะทั้งหมด อะไรอยู่เบื้องหลังอภิชาตโทมานัตโมหาอวิช า, ร า, อ า, อ า, ชาสรุปก็คื อ, อ น, นั่นแหละกําจัดอกุศลและเจตสิกสิบสออกไปแม่ให้เกิดให้ความเพียรให้สติให้ปัญญาเกิดพอพูดความเพียรพูดสติพูดปัญญาพูดกุศลจิต ท, ทั้งหมดเลยนั่นแหละเขาเรียกประชมรักอบรมมรักประกอบมรักดึงมรักให้มันเกิดขึ้นแทนในการดําเนินในการคิด ในการดูพอพอมันความกระบวนการความคิดมันเป็นองค์มรักแล้วการดูเป็นการดูเป็นนี่ยังดูก็เป็นแล้วมันดูมันปีสติสัมปชัญญะมีความเพียรเกิดในจิตแล้วเวลาดูมันดูด้วยกุศลจิตดูด้วยความเพียรดูด้วยสติดูด้วยปัญญาก็กําจัดอภิชาและโทมนัดยินดียินร้ายในการดูได้โมหะก็ไม่ครอบงาําในการฟังก็กําจัดอภิชาและโทมนัด ในการฟังได้โมหะก็ไม่ครอบงำในการดมก็กําจัดอภิชาและโทมนัสได้ในการกินก็กําจัดอวิชาและโทมนัสได้ในการสัมผัสถูกต้องก็กําจัดอภิชาและโทมนัสได้ในการคิดอดีตปัจจุบันอนาคตก็กําจัดอวิชาและโทมนัสได้เพราะตอนนั้นความเพียรชอบเกิดสติเกิดปัญญาเกิดหรือกุส่วนลจิตที่มีความเพียรมีสติและมีปัญญานั้นเป็นประธาน ตอนนั้นกําลังบําเพ็ญสิกขาสามไอ้สิกขาไอ้ตัวความเพียรเกิดสติเกิดปัญญาเกิดตอนนั้นเขาเรียกว่าศิกขาอาธิศีลสิกขาเกิดอธิจิตตสิกขาเกิดอธิปัญญาสิกขาเกิดแล้วเป็นพระเขาเรียกผู้ครองไตสิกขาผู้ฝึกไตสิกขาผู้เจริญไตรสิกขานันจเจริญแบบนี้นะในข้อที่จริงมันจเจริญแบบนี้นะทีนี้ เวลามันเจริญอย่างนี้เไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เอวิชามันมันไม่เกิดแล้วเพราะอาวิชาและวถมพนัสไม่เกิดอวิชาหรือโมหะมันก็ไม่ครอบงำํำพอไม่ครอบงําก็เลยมียานปัญญาเป็นสัมมาทิฐิเกิดขึ้นเพราะไอ้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสัมมาสังกปรากเกิดขึ้นสัมมาวาจาสัมมากรรมตานสัมมาชีวะสัมมาวิมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยตัวมรรคที่เป็นปนปับภาคเบื้องต้นมันเกิดแล้วเริ่มทําหน้าที่แล้วมันเริ่มแล้ว ไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ปฏิบัติมันเกิดหรือเรียกว่าศึกษาปฏิบัติมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเดี๋ยนี้เรียกศึกขาศึกษาศึกขาศึกขาสามคลองไตศึกขาส า, 3, า 3, มเรียกว่าปฏิบัติในการปฏิบัติมันเกิดแบบนี้นะถ้ามันไม่เข้าใจแบบนี้หรือไม่ฝึกให้ได้อย่างนี้มันไม่เกิดหรอกสงสัยไหม ก็หนึ่งก็คือต้องเข้าใจว่าทุกเขยานังใช่ไหมโมหะนี่มันปิดบังทุกไม่เห็นทุกเราก็ฟังแล้วตอนนี้พอฟังปุ๊บเราเริ่มเห็นว่าความเกิดเป็นทุกจริงไหมถามเราก่อนว่าเราเห็นตามพระพุทธเจ้าไหมเห็นไหมว่าความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกโสกกปริเทวะทุกขโทมสปายาส แล้วก็ไล่ทุกสิบสามกองเลยเห็นตามไหมในขณะที่ฟังแล้วเกิดความเชื่อมั่นแล้วเข้าไปใกล้นั่งใกล้เงี่ยบโสดับตั้งจิตเลิปลุกเกิดชันทะเกิดความอุตสาหะเกิดสติแล้วลึกขึ้นมามีความตั้งมั่นอย่างจิตแล้วปัญญาเกิดขึ้นเห็นตามสุตาเกิดหรือยังตรงนี้กิดสุดตาเกิดอะไรคลายตัวโมหะโมหะมันคลายตัวแล้ว ตอนนี้ระดับเนี้ยโมหะมันคลายแล้วเพราะมันเห็นแต่ถ้าฟังก็ไม่เห็นไม่รู้อันนี้อันนี้โมหะไม่คลายยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นทุกระดับการฟังทีนี้ท่านฟังแค่นี้ไม่พอไงฟังต่อเอาไปฟังแล้วคิดตามคิดมานสิการทั้งฟังทั้งคิดทั้งฟังสุดตาสุดตากับจินตามันคิดคไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเอย่าใจยังคิดจนมันเข้าใจจริงๆแล้ว จนประจกนะักษ์เน่ยจนเข้าประจกนะักษ์น่ยท่านท่านทดสอบทั้งสุตาตานะินตะเนี่ยจนประจักษ์ขึ้นมานะไม่ต้องคิดเลยทีเนี้ยมันผุดขึ้นมาในใจเลยมันรู้สึกสเทือนสถานจริงๆเลยครับนั่นก็เลยปฏิบัติเลยท่านตั้งแต่ฟังเนี่ยแล้วก็ไปคิดเนี่ยจนจนมันเป็นเนื้อเป็นตัวเลยอะมันเข้าไปข้างใ น, มนไม่ใช่แค่จําผิวเผินแล้วไปพูดอย่างอย่างที่ผมพูดไม่ใช่มันประจักษ์จริงๆแล้วมันสะทกสถานจริงๆเลยนะ นี่แปลว่าไอตัวปัญญามันเกิดแล้วมันไม่ใช่แค่สุตตะไม่ใช่แค่จินตะแล้วมันประจักษ์เลยครับประจักษ์อย่างนี้แปลว่าปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นไปเห็นอะไรมันมีสติกำกับอยู่ไหมตอนนั้นน่ะมันมีความเพียรประคองใจที่จะเห็นความจริงตอนนี้มรรคเริ่มต้นมันเกิดแล้วครับท่านทำอย่างนั้นเน่ยส่วนท่านจะไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนอนนั้นเป็นรูปแบบท่านทาไปตามแต่ต้องเห็น เห็นจนเข้าใจแบบนี้ฮนะเห็นจนเข้าใจจริงๆรู้สึกว่ามันมันเป็นเนื้อเป็นตัวมันอธิบายไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่มันเห็นจริงๆว่าเป็นทุกข์จริงๆสะเทือนสะทานจริงๆเลยฟังตอนนี้ไม่เข้าใจฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกท่านไปจดจ่อฟังจนเห็นว่าทุกข์จริงๆมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆนิพพานน่าเชื่นใจจริงๆที่เราจะเข้าถึงความดับทุกข์ มักก็คือตัวปัญญานี่แหละเราฟังนะฟังฟังฟังคิดคิดคิดทั้งฟังทั้งคิดทั้งฟังวิสุตะจินตะสุตตาจินตะใช่ไหมมันเป็นฐานกันจนประจักษ์ขึ้นมาเลยจนมันคิดไปท่องแท้วอูจริงจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าจริงจริงพวกเรามันกลุ่มนี้ครับกลุ่มฟังจนรู้เรื่องฟังจนเข้าใจฟังจนมันสะเทือนเข้าไปข้างในจนโอ้ใครมาพูดว่า ความเกิดเด็กร้องไห้แง่เกิดมาเนี่ยโอ้โหเสถียรสถานขนลุกชูฉันพระดำรัตน์ของพุทธเจ้านี่โอ้โมหะเกิดแท้ๆเกิดกับเด็กไม่พอไอบ้บรรดาหมู่คนทั้งหลายก็พากันไปอุ้มไปเชิดไปชูไปน่ารักน่ารักหอ้โหเทือนใจมากเราจะต้องออกจากมันให้ได้มันเห็นขนาดนั้นเลยก็จะต้องออกจากมันให้ได้จะต้องออกจากมันให้ได้กูจะไม่กลับมาเกิดกูจะไม่กลับมาเกิดกูจะไม่เอาชาติทุกข์เลย เพราะมันเดี๋ยวก็ชราตทุกพยาธิทุกมันบีบเบียดเบียนก็ไปสู่มรณะทุกมรณะทุกตายหน้าอนาถโดนทรมานอีกได้นิมิตไม่ดีอีกจมอยู่ในสังสารวัตรอีกมันเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกก็จะมั้งมันถึงจะทำลายตัวโมหะได้ถ้าฟังเห็นมีอะไรแล้ะเฉยๆหรือกลับไปก็ไปนอนต่อไม่ได้สะเทือนใจอะไรครับ ก็ไปก็มีกิจกรรมแล้วก็ทำไปเรื<ๆ>่อยๆมีทางเลยแปลว่าอะไรฟังไม่ถึงคิดไม่พอวิจัยไม่ถึงไม่วิจัยจนประจักษ์เวลาท่านไปทำไปเรียนเนี่ยใช่ไหมภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติจนรู้สึกว่าหลับตาลืมตาเห็นเป็นเนื้อเป็นตัวเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันท่านต้องเห็นขนาดนั้น จนประจักษ์ขนาดนั้นนีปัญญานี่ยเป็นตัวประจักษ์มันอาศัยทั้งสติอาศัยทั้งความจําอาศัยทั้งความเข้าใจอาศัยอะไรมากมายหมดเลยครับทําไมต้องมีสมาธิทําไมต้องมีสติถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิมันคิดแป๊บมันก็ไปเรื่องอื่นแล้วมันเดี๋ยวก็หลุดไปเรื่องนี้หลุดจากเรื่องนี้นก็จําไม่ได้ครับเหมือนท่านทนปฏิโมกนะครับ อันนี้เหมือนการมาทวนชาติทุกชาาทุกปัญญาทุกทุกทวนทวนทวนทวนทววนไอตัวพิทวนแล้วดึงแล้วดึงอีกตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นอีกคือสติสติดึงสมาธิตั้งมั่นความเพียรประคองพอมั่นตั้งมั่นปุ๊บปัญญาเขาไปสอบสวนไปตรวจสอบไปทุนเห็นประจักษ์ขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกปฏิบัติไอปฏิบัติมันเป็นแบบนี้ มันมันเป็นแบบนี้ส่วนว่าเออมันเมื่อยก็ถึงไปเดินอะไรนั่นน่ะก็ไปวิจัยท่านเดินไปท่านวิจัยตัวนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆปัญญาไม่เกิดสติไม่เกิดความเพียรไม่เกิดเดินแทบตายก็ไม่ปฏิบัตินั่งแทบตายก็ไม่ปฏิบัตินอนแทบตายก็ไม่ปฏิบัติเพราะอง <ran> ค์คุณของการปฏิบัติมันคือความเพียรคือสติคือปัญญาแต่จริงๆสมาธิก็ว่าแล้วศีล ก, ก็อยู่ในนั้นอะไรก็อยู่ในนั้นแหละแต่เอาความเพียรเอาสัพพัญญาเอาสติ อปัญญาเกิดขึ้นมาโมหะเกิดไหมสติเกิดขึ้นมาโมหะก็ไม่เกิดใช่ไหมแล้วธมาที่เกิดขึ้นมากลุ่มโมหะอะไรก็ไม่เกิดกุศลและจิตที่มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นประธานเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าศิกขาอธิศีลสิกขาที่จิตตาสิกขาที่ปัญญาศิกขาตอนท่านสวดมนุ์เนี่ยแต่ สติกุศลจิตไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิปัญญาไม่เกิดแปลว่าไม่ได้บำเพ็ญศีขาเพราะศีขามันเป็นนามธรรมามันเป็นความเข้าใจครับปัญญาคือความเข้าใจล้วนๆเลยท่านจะเอาหัวปักดินขาชี้ฟ้าก็ได้ถ้ามันได้ความเพียรได้สติได้ปัญญาแล้วก็แปลว่ากําลังบำเพ็ญศีขาสามถามทาไมเอาขาชี้ฟ้าอยู่นี่ มวามเป็นสิ่ขาสเข้าใจยังมันมันเป็นเรื่องตัวนี้จริงๆซึ่งมันได้ยากมักแปดได้ยากมันต้องฟังฟังแค่นี้ไม่พอเนะเดี๋ยวก็ต้องมาฟังกันแล้วฟังกันอีกตลอดเวลาเลยเนะนี่นี่เป็นอย่างนี้ไม่รู้ในทุกปัญญาไม่เกิดไม่เห็นความจริงสติไม่เกิดความเพียรไม่เกิดไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ แล้วแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยฟังฟังฟังมาแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดฟังแค่เนี้มันมันได้ไปนิดเดียวเองนะเนี่ยมันจะต้องไปวิจัยต่อฟังใหม่ฟังแล้วฟังอีกกันอยู่นั่นแหละฟังจนรู้สึกว่ามันมันเข้าไปข้างในเลยครับเดีนี้มันเข้าไปข้างในจนจนเห็นประจักษ์และท่องแท้เลยเดีเยวนี้ชนีดที่ว่าพอเห็นเห็นชาติทุกข์แล้วหนาวเลยครับสเทือนสะทานเลย อเออไม่เอาแล้วมันมันไม่เอามันหดหนีทันทีเห็นเป็นทุกจริงจริงชราทุกขยาที่ทุกมรณะทุกมันเห็นจริงจริงเคยเป็นนี่ไหมเคยเป็นขนาดนั้นไหมล่ะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้มาฟังเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องเราฟังแต่เรื่องอื่นเราไม่ได้เรื่องฟังอริยสัจใช่ไหมทุกควรกาหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรประจักษ์แจ้งมากควนเจริญเนี่ยแท้จริงมันทําข้อมร์นี่แหละ พอปัญญาเกิดขึ้นมันก็มาวิจัยทุกปัญญาเกิดขึ้นก็การสมุทยัยปัญญาเกิดขึ้นก็ดําเนินไปสุ่นิโรธไอตัวสัมมาทิฏฐิตัวความเพียรตัวสตินี่แหละนั่นแหละคือการประกอบมรรคทีนี้มันมันทํายากไอการจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นมันมันคิดเองไม่ได้เลิกคิดว่ามันจะไปคิดเองได้ไม่มีพวกเราเป็นกลุ่มสุตตพุทะ สาวกะพุทธะไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะไม่ใช่ปัเจกับพุทธะพวกเราเป็นสาวกะพุทธะต้องรู้ด้วยการฟังฟังให้เข้าใจไม่ใช่ฟังมั่วเนอะฟังมั่วไปเรื่อยหรือเจาะประเด็นไม่ถูกก็ฟังเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ฟังเดี๋ยวก็มั่วมันมันฟังจนมันเข้าใจไม่เข้าใจฟังอีกไม่เข้าใจฟังอีกฟังเรื่องอริยสัจเรวต้องเข้าใจให้ได้ก็ฟังจนเพื่อให้มัน ประจักษ์จริงๆเป็นตัวพอมองเห็นยังแล้วนี้เราไม่ีวาทดสอบว่าโมหะของเราเบาบางงไปออเดินๆที่เป็นไม่ใ ช, ใช่ว่าเราสองคัที่เป็นว่าเออเป็นเบาบางมันมันอย่างนี้เวลามันไปเห็นทุกเนี่ยมันด้เห็นประจักษ์เหมืน พอเห็นทุกข์มันประจักษ์ขึ้นมาจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันะเสือนสะทานแล้วรู้สึกมันเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆแปลว่าโมหะโมหะในทุกข์มันบางพอไปเห็นสมุทัยปุ๊บมันเห็นเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกข์จริงๆมันเห็นตัวประกอบทุกข์ประมวลทุกข์แล้วก็สร้างทุกข์มันเห็นตัวกรรมนะ ที่เรากำลังทำกรรมที่เรากำลังต้องการมีความต้องการหรือหรือที่เรากำลังเจตนากรรมที่มันทำลงไปกระบวนการความคิดกระบวนการความเพี้ยนผิดไอตัวอวิชชาคือความไม่รู้ตันหาคือความทยานอยากอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นสังขารคือการปรุงแต่งแล้วก็ตัวกรรม เจตนากรรมทั้งหลายเหล่านี้ยที่มันกำลังประกอบกรรมที่เป็นเป็นเหตุที่จะทําให้ได้การเกิดมันเห็นว่าชิ้นส่วนเหล่าเนี้ยมันกําลังผลิตเป็นเจ้ากรมใหญ่ที่มันผลิตตาหูจมูกลิ้นกายใจผลิตรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผลิตรูปเวทนาสัญญากลืนกระแสชีวิตขึ้นมาเนี่ยไอตัวนี้มันเห็นว่าเป็นตัว เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆเป็นตัวสร้างทุกข์จริงๆแล้วก็ไปเห็นนิโรธไอที่สภาวะดับวัตถุก์ไปเห็นจริงๆว่าไอตัวนิโรธเนี่ยเป็นสภาวะที่ดับวัตทุนั้นกิเลสนิพพานขันนิพพานเนี่ยอันนี้เป็นจุดหมายจริงๆและ ในขณะที่ความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นก็รู้ทันทีว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะเราให้เหตุปัจจัยอย่างนี้ปัญญาจึางเกิดสติเกิดขึ้นเพราะเรามีโยนิโสมนสิการอย่างนี้สติจึงเข้าไประลึกได้ความเพียรเกิดขึ้นเพราะมีโยนิโสมนสิการประกอบที่จะละบาปเก่าอาัุษรกรรมเก่าเป็นต้นเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไปเห็นจริงๆอย่างเนี้และมันมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆโมหะมันมันคลายตัวจริงๆ มันรู้ได้ด้วยการที่เรามาณสิการถูกแต่ถ้ามันยังคมคมเครือเครือไอ้ถูกหรือผิดอยู่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้ามันเป็นตัวปัญญาจริงๆเนี่ยมันไม่สงสัยเลยขจัดความรังเลสงสัยขจัดความฟุ้งซ่านได้เลยสภาพจิตเบิกบานจิตเบิกบานจิตปีติจิตผ่องใสจิตสงบจิตสะอาด จิตตั้งมันแล้วสุขสมนัตมันเกิดแล้วมันลงตัวท่านมันลงตัวไม่ตื่นเต้นไม่วูบว่าไปกันเลยเลยครับมันเข้าใจแต่มันมุ่งมั่นขวนขวายตัวเองตลอดขวนขวายเวลาทํากิจทํากิจเฮ้ยมันไปสอดคล้องกันมันลงตัวแล้วมันจะเข้าใจทันทีว่าโอ้แล้วรู้เลยวิธีเร่งไม่ใช่เป็นเร่งอย่าง มันเร่งความเข้าใจมันพิจารณามันพิจารณาต่อเนื่องหนึ่งไม่มักน้อยในกุศลสองเพียนติดต่อมันเพียนทางใจนะเพียนไม่หยุดถึงเวลาช่วงนี้อ่ะพักสุขลาและร่างกายลาสภาพใจละพักพักตื่นขึ้นมาปุ๊บหละลือ้อทุกแน่ทุกมุมปุ๊บเพียนต่อเพียนต่อ เพียนทั้งใจต่อเจริญกุศลต่อทำกิจอะไรก็ไม่ทิ้งกุศลมันรู้เข้าใจเรามีจุดหมายเราจะให้กิเลสนิพพานแล้วก็เพื่อขันธ์ธาตุนิพพานมีจุดหมายชัดจุดหมายอื่นลองเลยจุดนี้จุดหมายหลักนิพพานังปรามังวัตันติพุทธาพระเจ้ากล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมเป็นจุดหมายของฉันและฉันจะประกอบมรรคเนี่ยตัวไหนยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดมนุษการให้เกิดทำไปเรื่อยเรื่อยรื่รรอยเงี้ รู้ไหมแบบเนี้ยมันจะรู้เลยไม่ใช่ไม่รู้มันเข้าใจอ่ถ้ายังไม่ชัดก็มาดูลักษณะของปัญญากิจของปัญญาการปรากฏของปัญญาแล้วก็เหตุการณ์ของปัญญาก็มาเรียนอย่างเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้เรียนโมหะใช่ไหมต่อไปเอาปัญญามาดูมันชัดอะอยากรู้เรื่องสติเอาสติมาดูให้ชัดอยากรู้เรื่องสมาธิเอสมาธิมาดูให้ชัดอยากรู้ความเพียรเอาความเพียรมาดูให้ชัดดูมันทุกตัว ดูแล้วก็สังเกตอ๋อเป็นอย่างนี้เองเข้าใจฝึกมันอย่างนี้เแล้วๆวันๆหนึ่งเล่นแต่เรื่องเนี้ยทําไมจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะอาจารย์บอกว่าถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นนี่คือโมหะหายแต่มันอย่างนี้นะถ้าโมหะมันจะไปบอกแค่กุศลแจิตอย่างเดียวไม่ได้ แทกุศลจิตเกิดขึ้นโมหะมันหายจริงไม่ไม่เกิดร่วมจริงแต่ถ้าไม่มีปัญญาไปวิจัยและรู้จักโมหะก็กุศลเหล่านั้นก็ถูกโมหะครอบงำลึกคอยคอนโทรลอยเบื้องหลังอยู่ดีเช่นคนให้ทานเป็นเกิดเป็นวันนู้นเป็นเทวดาเป็นพรหมมันพวกนี้โมหะครอบงำต่อให้ได้ฌานสมาบัติก็เป็นมิจฉามากักอารารดาบทอุทกาดาบทเป็นมิจฉามักนะไม่ใช่ไม่ใช่สัมสมามักนะ การลทวินดาบทและเยอะแยะหมดนั่นแหละต่อให้ได้สมาธิออกบวช ด, ด้วยซ้ำไปนี่ไงโมหะโมหะมันครอบงำนี่ทางถูกมันทีนี้ไอ้ที่มันกุศลจิตเกิดขึ้นต้องมีความเพียรต้องมีสติต้องมีปัญญาสำคัญที่จะต้องมีปัญญามันถึงจะไปรู้จักโมหะ ใช่ว่ารู้จักสมุ ท, ทยัยรู้จักไอตัวโมหะเนี่ยรู้จักตัวตัณหารู้จักมานะรู้จักทุติธิเอามันจะต้องแยกแยะว่าไอ้นี้เป็นมิจฉาม a r g ไอ้ตัวนี้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกไอ้นี้เป็นตัวสมุทัยสัจจะที่มันสร้างรูปขันเวทนาสัญญาสังขารมิจันแล้วแล้วเาเล่ามันสร้างวัตถะมันเข้าไปรู้นี่คือตัวปัญญานะครับสํำคัญที่สุดปัญญากุศลจิตเกิดตอนนั้นโมหะไม่ครอบงำแต่ มันมาจากสุดตาไม่ดีอ่ะคุณมาจากข้อมูลไม่ดีอ่ะคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็ให้ทานไปเพื่อวะตะัตฏะคุณก็รักษาศีลไปเพื่อวะตะัตฏะเจริญสมาธิเพื่อวะตะัตฏะไอ้โมหะโมหะครอบงมคุณอยู่เพราะคุณไม่เรียนรู้ไม่ฟังให้เข้าใจเนี่ยว่าไอ้ทำแบบนี้อ่มันเหมือนกรณีเฮ้ยมันทมันผิดรถยนได้เหมือนกันเว้ยแตร่รถยนกาเนี่ยวิงว่งวิ่งแล้วไปหลุดเนี่ย รู้ว่าไม่จริงเนี่ยไปดูตกเหวกลางทางตายเนี่ยไปไม่รอดแต่คนมันรู้ทั้งหมดเนี่ยมันประกอบเลยนิยบเลยอ่ะแล้วมันเดนินรู้จากทางเส้นทางด้วยพวกนี้ต่างหากเขาต้องบอกฟังให้มันเข้าใจฟังมันเข้าใจฉะนั้นกุศลและจิตมันปลอดภัยที่ไหนแค่กุศลและจิตอย่างเดียวไม่ได้ปลอดภัยเลยนะเขาต้องบอกว่าสิกขานั่นองค์ธรรมได้แก่อะไรสภาวะสิกขาองค์ธรรมได้แก่ความเพียรองค์ธรรมได้แก่สติองค์ธรรมได้แก่ปัญญา มีสติมีความเพียรอย่างเดียวถ้าดึงปัญญามาไม่ได้ตาบอดอีกแล้วหมุนบอดเลยครับมันกลายเป็นว่าสติมันแยกแยกแยกุศลกนะุศลได้จริงแต่มันทําปัญญาให้เกิดไม่ได้คุณก็ยัง ง, งมหโข่งอยู่กับกุศลนี่แหละเกาะติดอยู่กับกุศลนี่แหละนี่เป็นอย่างนี้นะพอจะพอจะชัดไหมฉะนั้นมั น, ม, นมันสำคัญที่สุดไอ้ตัวปัญญานี่ต่างะ ปัญญาเป็นเป็นปฏิบัตกต่อโมหะโมหะเป็นปฏิบักต่อปัญญาใช่ไหมทีนี้มันจะไปรู้แค่ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องรู้เรื่องสติอีกต้องรู้เรื่องความเพียรนี่ใช่ไหมพรู้รู้เรื่องสติเรื่องความเพียรเพราะจัดว่าเป็นองค์ธรรมของสิกขาสาก็ต้องไปทําความเข้าใจที่จริงก็เอาทั้งหมดนั่นแหละต้องรู้ทั้งหมดแต่ไอตัวการสําคัญจริงๆก็คือความเพียรสติและปัญญา นี่องค์ขององค์การปฏิบัติไอตัวตัวองค์คุณของการปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณจะมีศึกขาสามหรือเดินศึกขาสามถูกต้องมีองค์คุณองค์คุณสามตัวนี่ความเพียรสติและปัญญาแต่พอพูดสติตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นพูดแลสมาธิอยู่ในนั้นแหละศีลไม่ต้องพูดถึงกนที่จะเดินความเพียสรสัมปชัญญะสติได้หรือเดินสติปัฏฐานได้ก็เป็นคนประกอบกุศลศีลมาอย่างดีแล้ว อย่างนี้เป็นตน้นนี่มันเกิดความเข้าใจจริงๆมันถ้าไม่เข้าใจนะถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจปุ๊บเรก็อักุศลอะไรก็กระทวก็อยากทากุศลหมดนั่นแหละแต่รู้ไหมมานัสิการกุศลนี่เพื่ออะไรจุดหมายชัดไหมเช่นจะให้ทานแต่ละทีเนี่ยเออให้ให้ให้ไปให้ให้ใหใหไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ม, ใช ม, ใชมันไม่ใช่เลยเราต้องการสละกิเลส สละกิเลสเราต้องการนิพพานเราตั้งจุดหมายเพื่อนิพพานนะฐานกุศลของเราเนี่ยศีลกุศลของเราเนี่ยภาวนากุศลเรามีจุดหมายกัอนิพพานตั้งเจตนาถูกแล้วเข้าใจไหมทาให้เข้าใจมันก็กลายเป็นฉันทาทานนางลำเอียงเพราะรักอีกลำเอียงเพราะโกรธให้เพาเลียงเพราะหลงเลียงเพราะไม่รู้อีกให้ตามประเพณีให้หวังสุขติโลกสวรสด์ให้สบายใจคลาบ มันก็ไม่ได้ประดับจิตตกแต่งจิตวงแจงแต่งจิตไปสู่ศีลสมาธิปัญญาไปสู่สิกขาสามที่จะดําเนินไปสู่ประกอบมรรคเห็นไหมเนี่ยความเข้าใจสำคัญ น, นี้แฮมพอเข้าใจไหมเลยเหมือนไปเรียนไปอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันจะเรียนถ้าคุณไม่เข้าใจจบ<า>ไปคนละทางเลยเดี๋ยวนี้วิง่งมัวม่วมั่ว มันต้องตั้งขนาดนั้นต้องตั้งเจตนาขนาดนั้นแล้วต้องมีความเข้าใจขนาดนั้นแล้วก็แยกแยะวิจัยพอจะชัดได้ยังตดวนี้ <laughs> มีอะไรเพริ่มเติมงั้นก็คุยมีเวลาก็คุยกันทุกวันทุกวันดี <laughs> โอเคเอาา่ามรณากับพวกเราที่วันนี้ได้ เกือบสองชั่วโมงจีิงๆมันขาดข้อมูลตรงนี้ถ้าได้ข้อมูลอย่างนี้โอ้ไปได้ดี